ถาวันนี้วันที่ย3สามกรกฎาคมสอง7ั้าอห้าสิบเจ็ดจนจียนจะสิ้นเดือนอีกแล้วแรมสิบสองคำเดือนแปดปีมาเมียปีมาเมียนี่ปีเกิดของเจ้าบูบูชาน้องสาวคนนี้เกิดปีมะเมียทามาเขาจําได้มันเกิด เดินปีเกิดอะไรของน้องพอดายจวันที่ไม่จำพัคดาวันที่เขาเพราะเราไม่เคยฉลองวันเกิดไม่ว่าใครไม่เคยฉลองวันเกิดกันอ่ะพวกเราก็มาเรียนถ้าพวกเราจะได้เรียนกันอย่างนี้ประมาณนี้แหละสามอย่างนี่แหละศีลงานและก็วิชาการเนี่ยหรือว่าธรรมะ แล้วก็ทำการงานอาชีพและก็ศึกษาความรู้วิชาการด้วยสามอย่างนี่แหละพัฒนาไปอัตมาว่าปีหนึ่งตั้งใจดีๆเถอะแต่ทำทั้งสามอย่างนะไม่ใช่ทำอย่า ง, างเดียวเขายืนยันทำอย่างเดียวไม่สมบูรณ์หรอกอเมื่อกี้นี้สูดแดนทำก็ไปค้นพบในสูตรอ่า กีตาอา่ากีตาอะไรอะ่ะกีตาคิริคิริสูตรซึ่งยืนยันทั้งกา ย, ยสักขีคือยืนยันเขาพูดที่จะมีองค์ประชุมที่เป็นสักขีพยานขนาดไหนก็ตามพูดที่ลึกลับอยู่เป็นเขาก็เป็นองค์ประชุมขององค์ประชุมของนามธรรมของเขานะ เขาก็ไปออกไปชุมานุมขามาทำของเขาก็ยืนยันว่าเขาเองเขาบรรลุธรรมอย่างลุกตะบงังนี่เป็นต้นเขายืนยันแต่พระพุทธเจา้าท่านก็ไขความอย่างที่อาตมาหยิบได้มาจากนะพระไตรปิฎกเล่ม36ที่บอกถึงกายสักขีบุคคลที่บอกจะต้องสัมผัสวิโมกข์แปดด้กายเนี่ยแล้วก็เห็นด้วยปัญญาอยิ่งสัมผัสทุกอย่างอยู่พร้อมถึงจะบรรลุ ถึงจะเห็นจนกระทั่งเห็นว่าอนุสัยของเราเกลีของเราอาสวะของเราเนี่ยมันหมดเกลี้ยงจริงมันถึงจะจะจะเป็นอรหันต์ได้มีสูตรนี้นะขีตาคิริคิริสูตรเนี่ยที่อาตมา ย, ยังไม่ได้อ่านนะแต่ว่าสูดแดนธรมก็พบแล้วท่านก็ขยายความจากกายสักคีบุคคลอีกต่อไปอีกว่า กายศีกสักคียบุคคลเนี่ยที่จริงนั้นก็คือผู้ที่จะต้อง อ, อยู่กับมิโมกด้วยแล้วก็จะต้องสัมผัสสัมพันธ์อยู่กับสังคมด้วยมีเสนาสนะมีกาลยาณมิตรมีอินทรีย์ทําให้เสมอกันจึงจะทําที่สุดแห่งทุกข์ได้ก็หมายความว่าต้องพวกคลุกคลีเกี่ยวข้องกับสมภารมิตรอยู่กับกลุ่มโมมิตรสหายเนี่ยยัง มิตร ด, ดีสหายดีทั้งหมดเป็นทั้งหมดต้องสิ้นของพรหมจรรย์อยู่ในเสนาสนะอันสมควรจริงๆซึ่ง ส, ส ป, ปายะศีแหละเสนาสนะอันสปายะบุคคลส ป, ปายะบุคคลส ป, ปายะกมิตรมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวลอมดีอาหารส ป, ปายะธรรมะส ป, ปายะนั่นแหละแล้วก็ปฏิบัติจกนกระทั่งสามารถที่จะ อาตมาว่าโอ้โหตอนนี้กําลังเขียนหนังสือมันโอ้โหมันมันมันเขียนแล้วมันสนุกอ่ะจนจะไม่กินไม่นอนก็แกล่ะผู้ที่ดูแลมาบังคับให้กินข้าวมาบังคับให้พักมาบังคับกินข้าวมาบังคับให้พักมาบังคับให้เดินอาตมาก็แหมมันเขียนมันดีอ่ะแก้แล้วแก่อีกทัวรแล้วเจอชาโอ้เรานี่ไม่เก่งจริงเห็นว่าอาตมาไม่ยังไม่เก่ง ยังไม่เก่งแต่ดีแก้แล้วแกอีกก็ดีดีดีดไว้คอยอ่านนะนะไว้คออ่านนะค้าบุญคือบาปเนี่ยมันเป็นคนคืออะไรทําไมสําคันนักเล่มสองเล่มสองเลยมันเป็นคนคืออะไรทําไมสําคันนักเล่มสองเลยเล่มเนี้ยมันจะแจกลงไปละเอียดถึงโอ้โหพวกเรามีมมพื้นเราจะอ่านมันมากเลย คนที่มีพื้นจะอ่านมันมากอาตมาว่าพวกเราเนี่ยมารวมกันนี่เป็นนิมิตดีละภาคเพียรดูสอุตสาหะดูนะทนอีกสักปีหนึ่งทีอาตมาว่าปีหนึ่งจะเห็นเนผลหรือเห็นหน้าเห็นหลังนละตั้งใจรวมกันทําไม่ดีเอาใจใส่เรื่องศิลแลธรรมเรื่องธรรมะเอาใจะใส่แล้วก็ดูช่วยงานการกันขยันมันเพียรดูอุตาา ส, า ส, สาหะดูซึ่งการศึกษาเราก็เรียน ทั้งศึกษาทางพระริยบัตทั้งธรรมะทั้งการศึกษาทางที่เราพึงจะเรียนนะ่ะการศึกษาที่เป็นวิชาการนะอะไรต่า ง, างความรู้ที่เราพึงจะเสริมจะอะไรลองทําดูอัตมาว่าได้ผลนะนะจะมีผลเพราะอัตมาดูแล้วมันเท่าที่พูมตัตมานะอันว่าก็เห็นว่ามันกําลังไปดีทีเดียวนะเอาวันนี้วันพุทธชีวศิลป์ เราจะอธิบายต่ อ, อยังจำได้ไหมไม่ใช่ถึงใครคนหนึ่งนะจำได้ไหมว่าถึงไหนแล้วถึงคำว่าชาติแล้วก็กราลอนขึ้นคำว่าพบอธิบายชาติไปแล้วปฏิจจสมุปบาทไล่สิคุณไล่ปฏิปฏิสมุปบาทไม่ได้นี่เรก็เรียกว่าพื้นฐานไม่มีนะมันควรจะจำไม่ได้ สังขารมีอวิชชาเป็นปัจจัยวิญญาณมีสังขารเป็นปัจจัยนามรูปมีวิญญาณเป็นปัจจัยอเยตนะมีนามรูปเป็นปัจจัยผัสสะมีอเยตนะเป็นปัจจัยเวทนามีผัสสะเป็นปัจจัยตัณหามีเวทนาเป็นปัจจัยอุปาทานมีตัณหาเป็นปัจจัยพบ ก็มีอุปทานเป็นปัจจัยชาติก็มีพบเป็นปัจจัยเรางั้นตั้งแต่โสกับปริเทวทุกขโทมนนตุอุปายาตก็มีขบวนการทั้งหมดนั่นแหละเป็นปัจจัยเพราะนั้นเราจะต้องเรียนรู้เหตุปัจจัยที่มันเกิดมันอะไรมันอวิชชาอะไรมันสังขารอะไรมันวิญญาณอะไรมันคือนามรูป มันเป็นอย่างไรอายตนะมันเป็นอย่างไรผัสสะมันเป็นอย่างไรเวทนาท่านสอนไม่หมดแล้วอาตมากอาม็อธิบายไปอาตม า, าอธิบายหมดแล้วเนกะ็บไม่รู้กี่รอบแล้วไม่เป็นไรแม้ยังอัดไม่เข้าอัดไหม่อัดไม่เข้าอัดใหม่อาตมาไม่ท้อหรอกเพราะคุณอย่าถอยแล้วกันอาตมาไม่มีท้อถ้าคุณ คนคุณถอยอะตมาก็ไม่รู้จะไปอัดใส่ใครก <g ül üyor> ็ต้องมีคนให้อัดให้ใส่ให้ได้นะแล้วมันก็อะตมาว่ามันยิ่งชัดอะตมายิ่งอธิบายก็ยิ่งชัดนะอะตมาก็ยิ่งชัดอะตมาก็โอ้โหยิ่งโอ้โหมันชัดยิ่งชัดอะไรนะเพนะนะราะฉะนั้นอวิชชาเนี่ยนะมีสังขารมีอวิชชาเป็นปัจจัยนะเป็นปัจจัยจึงเกิดสังขาร สังขารมีอวิชชาเป็นปัจจัยก็เช่วิญญาณมีอวิชามีสังขารเป็นปัจจัยเป็นเหตุเป็นปัจจัยนี้เกิดวิญญาณนามรู้ก็มีวิญญาณเป็นปัจจัยคำว่าเป็นปัจจัยก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่กันและกันนี่แหละจะพูดสับไปสับมาอะไรเป็นปัจจัยแก่อะไรก็ได้ถ้าเข้าใจสภาวะรมแล้วอัตมาอธิบายไปไล่ไปถึง ตัดตัแต่ตตตล้างมาโสกับปริเทวทุกขโทมรดุปายาตนัมันเป็นเรื่องของผลผลของโลกุตโลกิยะชนหรือบุคคลปุตุชนทุกคนจะอยู่กันนั้นแหะโสกับปริเทวทุกขโทมัรอุปายาต์น่นจะอยู่กันนั่นแหะเพราะเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่รู้เรื่อ ง, องชาติเขาไม่รู้ความเกิดความดับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยของอะไรตั้งแต่ยาไปจนกระกทั่งถึงละเอียด ที่นี้ปฏิจจโนบาในพระเจ้าท่านสอนเนี่ยแม้จะนำเอาเรื่องของตัวตนบุคคลเราเขานำเอาเหตุปัจจัยที่มันเป็นเรื่องหยาบมาใช้อธิบายประกอบก็าตามจุดมุ่งหมายก็คือเข้าไปหาปรมัติเข้าไปหานามธรรมนะเข้าไปหานามธรรมเข้าไปหาปรมัทิติไม่ใช่ไปติดอยู่ที่ไอตัวหยาบที่ท่พยายามอธิบายหยาบเพื่อที่จะให้มีที่ต้นที่เกาะ ที่เข้าใจได้แล้วก็ค่อยๆนำไปสู่ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเพราะถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ไม่ได้เราก็ไปติดอยู่ที่ไอ้หยับหยาบนั่นแหละทุกวันนี้ศาสนาอยู่ที่ภาวะหยับหยาบแค่นั้นเองไม่ได้เลื่อนเข้าไปหานามมาทำให้เราเลื่อนข้าไปหาความลึกซึ้งข้างในเลยะนะเพราะงั้นก็เลยไม่รู้เรื่องของปรมาจารย์คำว่าชาติอัตมาอธิบายไปแล้วนะไม่ว่าจะชาติชาติสัญชาติอก กกันติหรือนิพพติอภินิพพติเราได้คำว่าชาติสามคำละเอ้ยไม่ใช่ห้าคำละสองคำแรกนะมันก็คือองค์รวมของชาติกะสัญชาติโอกกันตินี่มันก็ตัวกลางตัวกลางของการเกิด เราจะรู้การเกิดของโลกิยะการเกิดของโลคุต ร, ระเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าสามารถแยกนามธรรมเลยว่าเจตสิก ต, ต, ต, ต, ต, ต, ต, ต่างๆโดยเฉพาะเวทนาเจตสิกรู้เคหสิตะเวทนาเป็นมโนโปวิจารณ์แปแยกออกอันหนึง่งแล้วไปรำหรือว่าเข้าใจเนคคัมมัสิตะมโนปวิจารณอีกฝั่งโลกุตระเข้าใจสภาวะมันดีแล้วจริงแล้วเนี่ย คุณก็เริ่มเข้าสู่การเกิดของโอคันติหรือโอปปาติกะจิตเข้าใจจิตแล้วแล้วก็แยกอาการของจิตต่างๆออกเข้าใจกายในกายเข้าใจเวทนาในเวทนาเข้าใจจิตในจิตเข้าใจทาในทมสามารถรู้อาการลิงคณิมิตสามารถรู้นามรูปของมันอาการอย่างนี้ละมันเป็นอาการเคหสิตะอาการอย่างนี้ถ้าเราปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยเออมันมัน มันมีผลนะอัธิอัธิมีผลเออลดละได้ลดละได้ลดลไดจางคลายอะไรเห็นเลยเห็นว่ามันไม่อยู่ที่อิทธิแรงมันไม่อยู่อย่างนี้หรอกมันลดรงจริงๆเห็นอย่างของจริงที่มีเป็นวิทยาศาสตร์นะวิทยาศาสตร์ทางจิตของพรนะเจ้าไม่ใช่เรื่องเพอ้อฝันไม่ใช่เรื่องตรร ก, กะไม่ใช่เรื่องเขา น, ข น, นิคานวณนะโดนดาวประมาณนอไม่ใช่น เพราะงัน้นถ้าบอกว่าไม่ไม่รู้ในเบื้องต้นของนี่เทียนท่านบอกว่าโลคุตระ46เนี่ยมันมีตั้งแต่กายในกายไปจนกระทั่งครบมัดแปะนั่นแหละโพธิปักเลียธรรมจะกายในกาย4กายในกายก็สิทธิประธาน 4. สี่สมัครประธาน4ี่พลักพร่องไปอิทธิบาท4ี่องรวม3หมวดใหญ่นี่ก็ ก่อเกิดอัอินทรียห้าพละห้าโดยมีขาเดินคือโพดชงเจตมีทางเดินคือมักองแปดปฏิบัติได้ไปตามลำดับเป็นปฏิสัมพันธ์อัตม์ค่อยๆจะอธิบายค่อยๆอธิบายไปโลกุตระที่หนึ่งก็นับอธิบายไปตั้งแต่ถ้าเขียนให้เป็นสูตรให้เป็นอะไรต่อเรื่ออธิบายยาวๆกว้างๆให้มันเกี่ยวของสัมพันธ์กันยกตัวอย่างโอ้โหมันจะนิ่งเหมือนกันนอะ ไม้อธิบายนี่ก่อนอธิบายปฏิสบุบบาทนี่แหละไปให้มันได้โครงสร้างอันนี้ก่อนปฏิสบุบบาทนี่คือลักษณะของตัวโครงสร้างใหญ่ท่านถึงจับไปไว้ในอวิชชาข้อที่8ไม่รู้ทุกไม่รู้สมุทยัยไม่รู้นิโรธไม่รู้ทางปฏิบัตินั่นนั่นคืออวิชชาสไม่รู้ทุกไม่หนึ่งไม่รู้สมุทยัยสองไม่รู้ นิโรธสามไม่รู้ทางปฏิบัติเพื่อความดับทุกสี่ห้าส่วนอดีตหกส่วนอนาคตเจ็ดทั้งส่วนอดีต ท, ทั้งส่วนอนาคตแปตดปฏิจจสมุปบาทหรืออิทธิยยปัจเจตาพระงุทธุจ้าไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาท ต, ตัวอวิชชาข้อนี้และพะุทูปอัปติสุบาตเนี่ยเราถึงสา ม, มารถที่จะรู้ทุกสมุทัยนิโรธมาก และปฏิบัติจนกระทั่งเกิดส่วนอดีตจนกระทั่งเกิดส่วนอนาคตจนกระทั่งสมบูรณ์แบบเลยส่วนอดีตส่วนอนาคตเป็นศูนย์เพราะเราได้ปฏิบัติจนกระทั่งสามารถทำให้มันเป็นศูนย์ได้ทั้งอดีตแล้วก็ชัดเจนแม้แต่อนาคตก็มั่นใจเลยไม่ใช่พยากรณ์ว่ามันก็ศูนย์เด็ดขาดเลยเที่ยงแท้ทาวรมั่นคงยั่งยืน ตลอดการไม่มีอะไรมาหักล้างได้เลยไม่กลับกําเริบจริงๆอย่างนี้เป็นตน้นซึ่งมันมีของจริงรองรับที่ปฏิบัติแล้วสมบูรณ์แบบจริงเมื่ออกันติอกันติอกันติการเกิดระดับกลางในรู้จักการเกิดของเวทนาอย่างนี้คือเวทนาอย่างนี้และคุณทําได้ทําให้เกิดเนกขมะได้เริ่มเกิดเป็นนิพพติ เริ่มเกิดนิพพติหรือเริ่มดับนิพพติมันก็มาเป็นรากฐานของนิพพานเป็นตระกูลเดียวกันนิพพตินิพพานเป็นตระกูลเดียวกันกนิพพานเนี่ยเกิดการดับกิเลสได้ลดได้ไปตามลาดับตามลาดับอภินิพพติก็คือมันเป็นการเกิดของพระอรหันต์เลยทีเดียวเกิดอาริยะไปจ อ, อถึงถึงอรหันตนะ์น่ะอภินิพัตอภินิพพติ นี่คือช า, ชาติห้าประการวันน้นเราก็เข้าใจสภาวะปฏิบัติไปเห็นสภาวะเราจะรู้เลยว่าไอ้หลักห้านี่โอ้การเกิดมันเป็นอย่างนี้การดับมันก็อยู่ในนี้พอหนิ้พัตติคุก็เริ่มรู้จักดับรู้จักทำให้มันลดละจางคลายไปจนมันดับมันดับหมดคุก็จะรู้ตัวนิโรธเป็นยังไงชัดๆแจ้งๆรู้การ ทำให้เกิดเกิดเป็น อ, อาริยะนะตัวนี้ดับชาติตัวนี้เนะดี๋ยการเกิดเนี่ยชาติพิทุกขานี่ชาติใดๆก็เป็นทุกข์ถราการเกิดชาติมันดับได้อย่างเนียนเอาคําว่าชาติมาเป็นคำหยาบรวมๆพูดเต็มๆอะไรก็ได้รวมหมดความชาติแต่เจาะเขาเ้าไปถึงประมัดแล้วชาติตัวอภิอภินิพัตตินะี่นะตัวชาติตัวเกิดที่ ท่านแปลในนี้ว่าการเกิดจำเพาะเกิดจำเพาะจำแปลเภาษาไทยว่าเกิดจำเพาะมันก็เกิดจำเพาะจริงๆว่าการเกิดในนี้ถ้าไม่มีภูมิปัญญารู้มันคืออะไรเกิดก็ไม่รู้มันเกิดยังไงก็ไม่รู้เกิดจนกระทั่งจริงๆมันไม่ใช่เกิดมันตายนี่คือภาษาสภาพมูลรอบเชิงซอนการเกิดอันนี้คือการตายกิเลมันตายสนิทเลยมันสมบูรณ์แบบ อรหันเกิดจ่อยมันเกิดอรหันน ะ, ะเพราะเราฟังแนละ้วจะเข้าใจดีนะว่ามันจริงนะเพราะว่าเรามีพื้นฐานเรามีความมีปฏิภาณพอที่จะเข้าใจ <c oughs> อ้าไว้ค่อยลงลึกละเอียดเข้าไปถึงการเกิดขององค์ธรรมต่างๆอีกเยอะค่อยไล่ค่อยอธิบายไปเถอะอาตมายังสนุกกับการอธิบายพวกคุณสนุกฟังมันก็แล้วกัน ยังพูดไปในอีกหลายชาติไม่ใช่หลายปีนะหลายชาติาใครจะติดตามมาดามาไปก็ตามใจแม้จบอราหันต์แล้วก็ตามได้อราหันต์แล้วก็ตามเันไปไปสร้างโพธิสัตว์ปรภูมิไปเรื่อยๆ อ, อาทีนี้มาขึ้นสู่ภพก็พบเป็นชไหนพบสามเหล่านี้คือกามมาพบรูปประภ พ, บพบอรูปประภ พ, บพบนี้เรียกว่าภพ อ้าวก็เจาะลงเรียกว่าพบก่อนตามภาษาตมาที่จิมพูเจ้าท่านอธิบายค่อยๆไล่ไปหมดแล้วแหละเล่มสิหเนี่ยแต่ระดับนี้ท่านไล่ตามภาษาของท่านแต่ตมาก็จะอธิบายตามภาษาของอาตมาไปก่อ น, นากามาพบนี่แหละเป็นพบเบื้องต้นที่เราจะต้องเรียนรู้ไม่จะเป็นเรียนรู้ในนุน่นอรูปประพบนุน่น ปเป็นพบรูอรูปปพรูปประพบอยู่ในพวังพวังคือองค์ของพบที่นั่งหลับตากันเรียนนั่นพระพุทธเจ้าท่านปฏิปนอมมาสมัยโนเขาเอาที่นั่งหลับตากันแล้วก็พูดไม่ได้เราพูดอย่างนี้ไม่รู้เรื่องเดี๋ยวก็ฆ่ากันตายแล้วน่ะเขาไรับไม่ได้ท่านต้องปฏิปนอมอนุโลมไปยอมรับไปแต่มาถึงยุคนี้แล้วอาตมาตไม่ฟังเสียงละ ศาสนาพุทธตำราก็มีอะไรอะไรก็เข้าใจแตมีเนื้อหาสาระมาจนกระทั่งสองพันกว่าปีแล้วแม้มันจะเสื่อมจะโทมจะชํารุดทิฏเพียนอะไรไปยังไงบ้างก็ไม่เป็นไรตำราหลักการก็ยังมีอะไรก็ยังมีนะอัตมาก็ฝันทงเลยสับทงเลยไม่ใช่ฝันสับแหลกเลยไม่ใช่ันโอ้โหฝันแค่นะนี่สับนี่ก็ไปช่อเลยสับทงเลย สับลงไปเลยา <c oughs> กามาพบเนี่ยเป็นพบต้นที่เราจะต้องเรียนแล้วในการมพบมันก็มีเบื้องต้นของใครของมันมีอะไรอะไรที่เราเป็นสังขารอะไรที่เราไปปรุงแต่งอะไรที่ไปติดไปยึดเราก็จับอันนั้นเนี่ยให้ได้ <c oughs> จิตของเรามันไปยึดไปติดมันไปสุขไปทุกข์ไปวนไปเวียนไป เสพไปไม่ปล่อยไม่วางมันก็เป็นสุขเป็นทุกข์อยู่งั้นน่ะในสิ่งที่มันหยาบมันแรงเป็นราคะแรงเป็นโทสะแรงหรือโมหะไปลงไหลครั้งใคร้เมื่อไงก็ลงไหลคลั้งใครกันอยู่ในีโอ้เจ้าประคุณนะเฮ้ยเห็นแล้วหน้าสังเวชใจไม่มีสาระอะไรเลยงอนกันดุกันงอนกันระหว่างโคเชเชอกับน้องก้อยเป็นเรื่องข้ามประเทศออ ร, ระหว่างเขาจะให้ออกจากนางงามปลดตำแหน่งรองนางงามโอ๊ยมาโวยมาวายอะไรต่างๆนา น, นานเป็นเรื่องเป็นราวขว่าวเขาเมันตา ม, มกันช่องนั้นช่องนี้ก็เอาเปิดออกจกนกระทั่งไม่ได้ค่อยดูเลยนะอาตมาขนาดไม่ค่อยดูรู้เรื่องไม่ค่อยได้ดูกันมันอ่ะมันออกซะจนหนวกหูอ่ะ แล้วไม่รู้ได้งไงเฮ้ยเป็นเรื่องไปไร่สาระไม่รู้อะไรอย่างนี้เป็นต้นขออภัยที่อาตมา ก, ก็ว่าเขาดูถูกเขาข่มเขาอย่างหนักและมันไร่สาระจริงๆอย่างเงี้ยแล้วก็พาเรื่เสียเวลาเสียแรงงานเสียทุนร้อนไม่ว่าจะเป็นสื่อสารไม่ว่าจะเป็นงานการอะไรผู้คนอะไรไปที่กันหมดเลยพากันเสียศูญเสียศูญเสียเวลาศูญเสียแรงงานศูญเสีย ทุนรอนอะไรลงไปไม่เขาเรื่องเลยว่าเราจะต้องมาเรียนรู้ว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันงมงายขนาดไห น, นแม่แต่คนที่เป็นหลงไหลงมงายอยู่ก็ขอยกตัวอย่างชัดๆอย่างทัทกษิณอย่างเงี้ยงมงายอยู่นั่นแหละไม่รู้จะไปเอาอะไรนายกก็เป็นแล้วตั้งสองสมัยอะไรก็มีหมดแล้ว จะพิสูจน์ว่าคนศรัทธาเลื่อมใสไหมก็มีตั้งมากมายแล้วจะเอาอะไรกันนักกันหนาแล้วก็ก่อความบวชเดือดร้อนวุ่นวา ย, ย่านี้ไม่หยุดแกไม่รู้มันเดือดร้อนรุนแรงมากมายเอาน้องสาวมากมาทำเละเทะดูสิเนี่ยอาตมาเรือ่องนี้พิพากษาออามาถ้าปเป็นเรื่องจริงเนี่ยเละเทะไปตั้งห0 0 0 0 0ล้านเนี่ย ทิ้งจอมพลสริติ์ไม่เห็นฝุ่นเลยจอมพลสริทิ์น่ะี่พันล้านไอ้ น, นี่ห0 0แสล้านจอมพลสริทิ์น่ะสี่แสนสี่พันล้านมาจาได้ว่า4ี่พันล้านตัวเลขเท่าไหร่ไม่จำไม่ได้รายละเอียดแต่ประมาณ4ี่พันล้านไม่ถึง 5,000 ล้านจอมพลสริทิ์นี่ห0 0 0 0 0ล้านกับ4ี่พล้านเนี่ยมันขนาดไหน คือไม่รู้อะไรนี่มันหยาบอบายโลกที่เลวซามต่ําช้าแผลนพลาดทําลายกันขนาดหนักเขาไม่รู้และคนที่ร่วมมือร่วมใจเขาก็ไม่รู้นะไปได้กันหมดเลยในโลกอบายเป็นเรื่องใหญ่หญยังไงแม้แต่ปรุงแต่งเรื่องรูปลักษณ์เนเสียงสัมผัสเรื่องการลเล่นการกีฬาการอะไรอบายยงมุกสารพัดการพนันต่างๆนานาก็เดี๋ยวนี้การพนันก็ยกขึ้นไปเป็นกีฬาหมดแล้ว เป็นกีฬาหมดการพนันกีฬานะการพนันทั้งนั้นอนะ่ะไอจอที่มันเกมเกมเกมเกมอะไรอยู่นี่แม้แต่เป็นเกมที่มันกระทั่งเด็กมันเล่นตายคาจอ่อเกมเล่นเกมจนคามันคืออบายามุกทั้งสิ้นเลยเขาไม่เข้าใจว่าอบายามุก ค, คืออะไรเพราะก็ไม่ป้องกันไม่เห็นว่ามันเป็นพิษเป็นภัยไม่ ไม่เอาจริงเอาจังไม่แข็งแรงก็หลงโลกไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพวกเรานี่ถ้ามาหยาบถึงขนาดนั้นก็ตามก็ตรวจแต่ละคนดูว่านี่เลยเป็นอบายภพมันอยู่ในกามกามคือมันลืมตาเปิดตาหูจมูกดินกายมีกามมาวัาจรทุกอย่างวิถีจิตของเราในทำงานอยู่กับทุกอย่างเลยตาหูจมูกดินกาย ลืมอยู่แล้วก็มีเครื่องเรื่องปรุงแต่งในเรื่องที่ไปติดไปยุดในภพบอบายแม้แต่โรคจัดๆโรคแพงแรงโรคอยากได้มากๆมันก็คืออบายโกรธมันแดงๆอยู่มันก็คืออบายโมหะหลงไหลติดจึดอยู่อย่างหนักมันก็อบายของใครของมันอบายอยู่ดมอบา ย, ยาพ เรียนรู้อาการตัวคำว่าติดๆที่ยึดที่เป็นลงไร่สิ่งเหล่านี้อยู่ของตัวเองแล้วจัดการตั้งใจละลางของตนเองจึงจะดับอบายเมื่อเราสามารถมีดวงตาเห็นชัดเจนว่าเออเรารู้แล้วสักกายะเป็นตัวนี้แหละตัวกิเลสตัวนี้เรื่องนี้แล้วเราก็ฆ่ากำจัดมันแล้วมันก็ลดละจางกลายมันดับเห็นมันลดละจางกลายทาให้มีผลได้จริง มันลดละจริงๆนี่เห็นไปดูแล้วว่าทําไปสัมผัสเมื่อไร่มันมีสัมผัสเป็นปัจจัยให้ศึกษาแล้วมันก็เกิดหลาดๆให้เห็นเลยเกิดต้นโต้เห็นแล้วเราก็ทําให้มันละลายให้มันไม่มีหรือจางคลายอ่าช่วงระยะบางทีมันก็ดับไม่เห็นคุณจะรู้ความจริงของมันได้เพราะเราก็ดับพบได้ การดับภพไม่ใช่ว่าไปกดข่มคือการสร้างภพอย่างนั่งหลับตาสมาธิมนการสร้างภพแต่นี่เราภพเราไม่เกี่ยวหรอกเราล้างตัวเหตุไปเหตุมันดับลงดับลงเราภพมันก็ไปด้วยชาติมันไม่เกิดไอเกิเล่มันไม่เกิดภพมันก็ไปด้วยก็ตัวกิเลอุปทานกตัญหานี่แหละมันดับเกลเลือตัวตัญหาก็คือเคมีติเอนเนอร์จีคือพลังงานที่ ออกมาเคลื่อนตัวเป็นตันหาถ้ามันไม่เคลื่อนตัวมันก็หมักนิ่งเป็นอุปท า, านอยู่ในก้นบึงก็เป็นพลังงานสักเป็น potential energy อย่างนี้เป็นตน้นซึ่งมันมันเห็นชัดเจนมันรู้ได้ของจริงนะแล้วเราก็ทำให้มันลดอย่างเห็นเห็นทำได้เราก็เห็นของเราดับได้ของเรา เพราะการดับได้เห็นได้มีมรรคมีผลจริงเราเป็นโซโดาบันแล้วก็ทำไปอย่างนี้แหละเออทำได้แล้วมันก็ทำไปอีกอี ก, อ ก, อ ก, อกเป็นสกิทาคามีไปเรื่อยอบายภูมิหมดเป็นกามอยู่ในกามอบายมันก็คือกามกามหยาบหมดเดือกามต่อมาสกิทาคามีแล้วก็ไล่มาเรื่อย ๆ, ๆดับพบในกามหมด กา ม, มาวาจารภูมิเรารู้กิเลสสัมผัสมีสัมผัสเกี่ยวข้องแต่ต้องเห็นกิเลสเกิดทำกิเลสมหารกิเลสให้ดับดับไ ด, บ ด, บ ด, บดบ้จนจิตใจมันเป็นอุเบกขาอบุอุเบกขาคือฐานฐานนิพพานมันก็เฉยสัมผัสแล้วมันก็เฉยโดยเฉพาะอาการที่จะแรงอาการที่จะมีพลังพลังให้เราอดไม่ได้ทนไม่ได้แต่นี่มันไม่ต้องอด อดได้หรือว่าอดก็อดจังไม่ยากอะไรเนี่ยได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลําบากในฌานสี่ฌานสีคืออุเบกขาเป็นฌานที่สี่เป็นฐานได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลําบากปุ๊บปั๊บปุ๊ บ, บ, บเออมันเบาเพราะฉะ น, นั้นข้างนอกนี่จงระท่างคุณชัดเจนแล้วว่าของหยาบแบบนี้ไม่เอาจริงๆคุณตอบตัวเองได้ว่าไม่ได้เกิดรถไม่ได้เกิดแรงที่จะ กูอยากจะไปเป็นอยากจะไปมีอยากจะไปอย่างนั้นอย่างนี้ไม่แล้วไม่จริงๆทั้งๆ ท, ที่เห็นอยู่รู้อยู่ตาก็กระทบมันยัว่วยวนได้ซ้ําไปหูก็กระทบจมูกกลิ้นกายอะไรก็กระทบสัมผัสอยู่ดัดๆยัว่วยวนปลุกเราเราได้ซ้ำไปแต่เราก็มันมีปัญญาชัดเจนเจโตมันก็แข็งแรง มันไม่เกิดกิเลสมันไม่เกิดกิเลสมันก็อาจจะมีวุ้แวบๆนั่นแหละรูปราคะรูปราคะเพราะนั้นในฐานตึกขึ้นอนาคามีนี่คือสกิทาคามีข้างนอกภูมิข้างนอกนี่เรียกว่ากามาภูมิกามาพบมันไม่เกิดอาการมันไม่เราต้องเข้าใจว่าอาการทางการมาพบมันเป็นยังไงมันไม่มีอาการนี้แล้วยังไงก็เขาไม่เอาปัญญามันก็ชัดเจนโอ้เสียเวลาเสียแรงงานเสียทุนรอน มันไม่มันเปล่าได้อะมันเป็นภาระแล้วมันก็ไม่เข้าท่าอะไรมันจะเห็นว่าไอ้รถอร่อยรถสุกรถอะไรเนี่ยไม่คุ้มไม่ไม่มันไม่จริงเห็นอะไไม่จริงมันก็จยางนั้นแหละแล้วก็จําได้แล้วก็เคยผ่านแ้ามันชัดเจนมันก็ไม่เอาละคุณก็บอกกับตัวเองได้เพราะฉะนั้นจะผ่านหมดกามมาพบหมดในกามมามาวจรเนี่ย แต่พระพุทธไม่ได้หลับนับตาก็าไปเจไม่มีการมาพบเข้าไปอยู่ในรูปประพบรูปประพบอยู่ในพวังไม่ใช่มันแจ้งสว่างมีจักขุมียานมีปัญญามีวิชามีแสงสว่างชัดเจนเห็นอยู่ละลัดเลยเมื่อเป็นนาคามีภูมิเหลือรูปรรประพบรูปประพบก็สัมผัสข้างนอกอยู่แล้วรูปประพบมันก็ กิเลสเออนี่มันยังเป็นตัวสภาวะรูปราคะดับมันได้หมดอีกตั้งแต่ที่สัมผัสข้างนอกเนี่ยเราก็ดับมันไปขั้นตอนกิเลส ร, ระวังรูปราคะตัวอุรูปราค ะ, ปาคะเป็นยังไงมันก็เบาบางหรือมันก็หมดดับอีกก็เหลือทุลีละองอะรูปราคะมันไม่มีตัวตนมันไม่มีสภาพที่จะชี้บ่งบอกกันเป็นภาษาแล้วละ่ะ คุณก็จะต้องรู้เองของตนเองเป็นปัจจิตังโอ้นี่มันเหลือแค่นี้นี่เรียกว่ารูปราคะอันี้เรียกว่าอรูปราคะแล้วจนอรูปราคะตามสังโยชน์เบื้องสูงอุตรรมปาริยสังโยชน์รูปราคะก็หมดอรูปราคะก็หมดเหลือลุกนิคลุกนิคอยู่ความถือดีถือตัวบ้างมันก็เหลือน้อยๆอ่อนๆจนความถือดีถือตัวขั้นมานะอติมานะมัทธะปมาทะ ี่เป็นอุปกิเละลึกแล้วอะ่ะซึ่งจะเป็นมานะเนี่ยมันก็ซ้อนอยู่ในอุปกิเละต่างๆที่เราท่านก็ซ้อนไว้หมดอหยาบนะ่มาตั้งแต่อภิชาวิสมะโลภะพยาบาทโกตะอุปนาห์นี่หยาบใหญ่สี่ข้อแรกนีอุปกิเละสิกต่อลงมามาเป็นอ่าอะไรอ่า มักกะมักกะปลาสะอิจซามัชชริยะนี่อีกสี่มันก็คือมันยังต่อมามันยังมีการยกตัวยกตนลบลบลูล่ลลลลคนคนอื่นเห็นตัวเองใหญ่ตัวเองสูงตัวเองวิเศษปลาสะ ตีตนเสมอบ้างยกตนข่มบ้างตีตนเสมอแม่มันไม่ถึงก็ตีตนขม่มประลาศนะนะยกตนเท่าเข้ากเขาอิษาริศยาอิษานิศยาแต่ว่าภ า, ศ า, ศ า, ศาศษาสันสกฤตเขาอิฉาภาษาบาลีมันอิสานะมันก็เลยไปใช้สันสกฤตเป็นอิฉากัน อิจาก็เลยเข้าใจว่าเป็นสภาพที่ริศยาที่จริงเขาใช้ริศยานั่นแหละในบาลีอิจฉาแปลว่ามันเหมือนกันกับฉันทะหรืออากังขะมันเป็นความต้องการความประสงค์อิจฉาแต่อิสานี่แหละคือตัวริษยาคือตัวไม่ต้องการให้ใครได้ดีขี้เหนียว อิกฉานี่เป็นอุปกิเลสแเราก็ลดลงไปหมดพอมันเหลือในระดับอนาคามีตัวพวกนี้มันหมดแล้วมายาก็น้อยลงสาเถยอยากอกอวดอยากโก็น้อยลงอนาคามีนะมันรีละอีก 4-4-8 นั่นมันเบาบางละหมดเหลือ4 4สหมดสองสุดท้าย อ, อุปกิเลสเนี่ย มายาสาเธยยะธรรมภะสารัมภะมานะอติมานะมัทอะมาทะเนี่ยนะมันอาการมันจะรู้เออนี่มันยังหลอนเราหลอกเราอยู่อนาคามีนะมันยังหลอนเราหลอกเราอยู่ดีไม่ดีบางทีเราก็เปหลอกคนอื่นบ้างยังแร็ปปับปับอะไรบ้างร้อนมากๆนะมันยังมีเชิงหลอกเชิงหลอนมายา สาเถอยะมันอยากอวดมันยังอยากโชว์อยากอวดลงก็มานะนะอวดดีอวดดีไม่ได้อวดความชั่วนะอวดความดีอวดตัวอวดตนสาเถอยะอยากโชว์อยากอวดก็ทำไปเรื่อยๆลดลงลดลงลดลงนะทพระดือ้อดึงดืง้อดันมันก็ดือ้อมันไม่ดื้อหยาบหรอกอ น, นาคามีจริงๆไม่ดือ้อดึงดันดื้อหยาบดื้อแรงอะไร สารพะ ด, ดยิงพยองภาษาแปลแล้วมันยาบหยาบเป็นภาษาไทยดื้อดึงยิงพยองโอโหอย่างคนโลกๆที่จึงฐานอนณาคามีมันน้อยจนเหลือมานะอติมานะมัทธะปะมาทะหมดสุดท้ายเนี่ก็ยังเป็นเศษเหลือของอนณาคามีเพราะในระดับหยาบในระดับรูปราคะรูปราคะหมดไปมานะก็นี่แหละมานะมัน ไอ้หมวดสุดท้ายเลยมานะอติมานะมัฏฐปมาทะมาาหมวดนั้นพอไปถึงมานะนะหมดแล้วรูปราคะรูปราคะหมดมานะอติมานะมทฏปมาทะพ ม, มานะก็กิเลส ท, ที่มันถือดีถือตัวอะไรบ้างนะเสร็จแล้วมันก็อติมานะลดลงไปอีกนะรู้แล้วก็เข้าใจตัวเองยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นมันก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆละมานะอติมานะ มะะัท t มันยังงงงมงมงัวมัวเมา อ, อ, อ, อ, อยู่เล็กเน้อยหรือลำลำเริงเริงอะไรเล็กเล็น้อย่อเศษ ส, สุดท้ายของอุทธจักมานะอุทธจักรมานะปฏิมาน ะ, ะานะานะลดไปมัท tha ปมาทะะาก็ถือว่าส่วนของอุทธจักรนี่มันจะหมดสังโยชนข้อที่สุดท้ายละที่เกที่สิบละจนกระทั่งหมดมามัทะ h a ปมาท ะ, ะ, ม, าะมันก็หมดอวิชชา นะซึ่งมันเทียบกันได้คู่กันได้หลักเกณฑ์ขเจ้านี่เป๊ะทุกอย่างเลยถ้ารู้สภาวะของมันแล้วแล้วมันสอดคล้องกันลงตัวหมดเลยนะหมดรูปประพบอรูปประพบนี่ก็ขอสรุปไว้แค่นี้ก่อนนะทีนี้อุปาทานอุปาทานมีสี่ กามุปาทานทิฏฐ ป, ปาทานศีลและปะตุ ป, ปาทานอัตวาทุ ป, ปาทานนี่คืออุปาทานนี่เรียกว่าอุปาทานการยดึดนี่แหละตัวสำคัญล้างอุปาทานหมดอุปาทานเลยสิ้นเกลี้ยงรูปาไอรูรูปารูปักรูปู โรูปูปาานักขันโทแมเราก็ยงไม่เคยคองปากนะอัาุาานในรูปูรูปูรูปูรูปูปกคาขันปลุกรูปูปาธ า, า, า, าได้ไงอุ ป, ปะในรูปูรู รูปอูปรูรรูปะรูปูรูปนี้รูปูอุปนี้มาไปเป็นสมาธิกันรูปูปาทานขันโธรูปูปาทานขันโธรูปูปาทานขันโธเราก็สามารถรู้รูปไม่ยึดติดในรูปเวทนูปาทานขันโธไม่ยึดติดในเวทนามสัญญูปาทานขันโธนะ ทั้งนั้นแหละังขาอุปทานคัันโทตัก็ทั้งวิญญาณอุปธานคัันโทเรารู้เข้าใจอาการหรือสภาวะของมันว่าเราพิยึดติดในอุปทานอะไรต่างๆของนี้อย่างไรแค่ไหนที่นี้ท่านแยกเป็นสี่อุปทานเนี่ยทิฏฐิความรู้ความเห็นหรือรับทิ คนก็จะมองว่าพวกเรานี่ยึดติดรัธิอโุปยึดติดรัธิอสศกการยึดติดการยึดมันมีสองยึดยึดสมาทานกับยึดอุปาทานนี่มันพูดนี่ยนีกำลังพูดถึงอุปาทานนะไม่ใช่สมาทานสมาทานนี่คือยึดด้วยปัญญายึดด้วยความเข้าใจว่าไอ้นี่ยึดอย่างมักหรือแม่ยึดอย่างผลยึดอย่างมักก็คือยึดมาปฏิบัติขัดเกลาตนเอง เมื่อยึดมาจัดอย่างรถสมาทานศีลนี่เราก็ยึดศีลมาปฏิบัติเกี่กับเราตนเองปฏิบัติได้แล้วเป็นสมาทานของสมณนะสมณะคือผู้สงบแล้วผู้บรรลุแล้วก็ยึดอาศัยสมาทานอย่างผลสมาทานอย่างมักก็ยึดมาปฏิบัติเกี่ยวกกิเลสตนเองสมาทานอย่างมัก สมาทานอย่างผลก็คือปฏิบัติแล้วละกิกเลสได้หมดแล้วก็ยึดต่อยึดอาศัยอาศัยาการยังชีวิตอยู่อาศัยอยู่ในการทำงานอาศัยเพื่อที่จะอนุโลมปฏิโลมกับโลกเขาซึ่งไม่มีตัวตนเข้าไปในการยึดนั่นหรอกไม่มีกิเลสเป็นเราเป็นของเราอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะ ฉะนั้นท่านบอกว่าอ๋การมาไปเอาที่ถุปทานเากรร ม, มุปทานก่อนสิเนาการมพูดไปบ้างแล้วยุดในการมอธิบายการมมาพบไปในะรูปปรพรูปปพบอะไรพวกนั้นอธิบายไปแล้วนะเป็นลําดับของความใครอยากที่จริงรูปมันก็ใครอยากอารูปมันก็ใครอยากแต่มันใครอยากกันคนละระดับระดับนอกระดับในระดับอรรรคะอัตตาระดับมโนมยอัตตาระดับอรูปอัตตา มันก็เข้าไปข้างในตามลำดับเพราะการมุปาทานอตมาก็จะไม่ขยายความอะไรมากมายที่จริงมันหยาบใหญ่การมุปาทานนั่นแหละเป็นตัวปฏิบัติจริงเป็นตัวที่ตั้งหน้าตั้งตาเอากันให้มันเลี่ยงเลยก็คือกรรมนะนอกนั้นคที่เหรือก็เป็นอัตตาสองอย่างใหญ่ๆทั้งนั้นก็การมกับอัตตาสองฝากตามที่พระเจ้าท่านตัดสูตรแรกในโลก ธรรมจักปปุระโสนานะการมสุขลิกะกับอตตกิริมัฏฐนั่นแหละนะเสร็จแล้วก็ฆ่ากรรมร่างกรรมไปตามที่อธิบายเอาครับมันจะพูดต่อมันก็ไม่มีอะไรหรอกล่างกามหมดก็ะเลออัตตาสุดท้ายที่พูดถึงอนาคา ม, มีเมื่อกี้เนี่ยอนาคา ม, มีนี่มีแต่อัตตาและกามไม่มีแล้วสังโยชนนอกหมดแล้วการมมาพบหมดแล้วเหลือแต่ข้างใน ล้างกิเลสอัตาอาตาของอนณาคามีหรือกิเลสข้ อ, อนาอนาคามีที่เหลือมันจึงเป็นเรื่องของทุกข์ที่ชัดเจนเป็นเรื่องของสัตว์โอปปาติกะมันเรื่องของจิตวิ ญ, ญญาณโดยตรงเลยข้างนอกนี่มันไม่มีอะไรแล้วข้างนอกจะมีลูกรถกินเสียงสะพัดจะมีลาบยศเสรเสิญโนกีสุกอะไรท่านก็เชสยสบายสายว่างหมดแล้วเพราะฉะนั้นถึงเป็นสัตว์ที่เหลืออยู่แต่กิเลสข้างในจึงเรียกโอปปาติกะหรือเรียกอุปปาติกะแทนผู้เป็น พระอนาคามีพระหมดกามมาพบกามมุ ป, ปาทานเพราะการรมมุ ป, ปาทานก็นเหลือแต่พระวานุ ป, ปาทานเพะวพระ ว, ะ ร, ะวะราคานุสัยหรือกรรมตามหมดไปก็เหลือขั้นรูปราคารูปราคานั่นแหละนั่มาหนะัต่อไปอ่ะเพระว่า เพราะว่าราคานุสัยอันนี้อนุสัยมันซ่อนอีกทีนะึงนะอนุสัยตั้งแต่ต้นมานะมันก็ขึ้นมาได้กามปฏิฆะทิฏฐาก็คือทิฐิวิจิกิจชาก็จองกระทั่งรู้จัชัดเจนด้ถึงมรรคถึงผลทิฏฐิเนี่เป็นความรู้เห็นแล้วก็วเห็นในการปฏิบัติจนมันพ้นสงสัยไม่ว่าจะเป็นอย่างไรทั้งหมดนะไปตามลาดับ แล้วมันถึงจะขึ้นถึงสภาพพวกมานานุสัยภวกราคาอนุสัยอวิชานุสัยซึ่งพวกนี้มันขั้นอาาคามีแล้วนะอนุสัยสมตัวหลังเนี่ยสี่ตัวแรกนั่นก็ท่านก็ทำให้หมดเป็นตั้งแต่โซดาส ก, กิทาไปหมดอนุสัยสามอย่างนั้นนะเพราะงั้นในอุ ป, ปาทาน ก, การมุปาทานก็ขอผ่านทิฏฐุ ป, ปาทานก็โดยการยึดถือตามหลักเกณฑ์ตามความเข้าใจตามลัทธินะยึดอย่างอุปท า, านไม่ใช่ยึดอย่าง ส, สมาทานนะต่อมาศีพลพรตศีลปตุปาทานศีลพรตก็คือหลักการปฏิบัติศีลก็คือหัวข้อหลักเกณฑ์พรตก็คือการประพฤติปฏิบัติเพร่ะปฏิบัติศีพลพรตหรือยึดทั้งก่เรีย ทานก็เป็นการปฏิบัติประพฤติประพฤติทานประพฤติเอาออกประพฤติปฏิจักทาไมสมาธิถิ่มันก็ประพฤติทานไม่ได้ผลเราอธิบายมามากแล้วอาทิตติสิศีลนรถก็ยิจถังวิธีกรรมวิธีพิธีการในการปฏิบัติหูตังก็มันมีจิตเราได้รับผลไม่สังเวชที่บัตบูบบบบชาแล้วมีผลหรือไม่ก็จิตเราเนี้ยแหละ ที่บูชาแล้วก็ปฏบิบัติบูชาแล้วสังเวยที่ได้บูชาแล้วที่ได้ปฏิบัติแล้วคือเราจะเอาออกหรือทําให้มันเกิดผลภาษามันยากสรุ ป, ปง่ายๆเป็นภาษาไทยก็คือเมื่อปฏิบัติแล้วทั้งทานทาั้งศีลพรตเนี่ยมันคือการพูดปฏิบัติทั้งนั้นอะ่ะเพราะยึดถังก็คือทั้งทานทาั้งศีลพรเนี่ยปฏิบัติประพฤติ แล้วจิตของคุณได้รับผลไหมหูตังก็คือจิตได้ผลที่จริงก็คือทานศีลภาวนาทานได้ผลไหมศีลได้ผลไหมภาวนาคือการเกิดผลจิตของเราเกิดผลอ่านออว่าจิตเราได้ผลเกิดผลไม่ได้ทําศูนยเปล่าไม่ได้ทําไปอย่างงมงายทําอย่างมีของจริงรอมรองรับอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นคนที่ปฏิบัติศีลที่พ้นศีลแล้ปุตุ ป, ปาทาน แม่ที่สุดพ้นศีลและปฏปรา r m a ต์ถึงอธิบายมาลายทีและเพระตวทานศีลและปฏปรามา a ต์ต่างกันอย่างไรศีลปัะตุปปาทานกัปฏิบั ต, ต, ติไปตามศีลตามพ้นนับถือตำ่างกันมาป ร, มประำปราตามจารีตามประเพณีตามอริปายก็ถือกัไปเคร่งทัดก็ได้เคร่งจัดด้วยนะแต่ไม่ถูกต้องไม่เป็นสมาธิไม่เป็นอะไรก็เคร่งไปงั้นสูญเปล่า สวดศีลพุทธประมาศนั้นศีลพระนั้นมีสมาธิิและเข้าถึงผ่านสังโยชนึงสังโยชน์สองผ่านสกายทิฐิอ่านเห็นสภาวะจิตเจตสิกรูปถูกรู้โดยญาณเราแล้วก็รู้จะก็ตั้งตรวจสอบยังไงก็รู้แล้วตัวที่จะเป็นกิเลสตัวที่จะกําจัด เจอตัวมารตัวผีตัวเหตุปัจจัยที่ชัดเจนมันเป็นผีนรกมันเป็นเปรตมันเป็นเดรัจฉานยังไงก็รู้หน้าตามันเป็นสัตว์อปิดวิเดบาจังไงก็รู้นะชัดเจนพ้นวิจิตรชาสังโยชน์แต่ศีพลพราะของคุณการปฏิบัติพิธีปฏิบัติคุณปฏิบัติยังไม่สมาธิฐิก็ได้แต่ว่าเข้าไปเห็นนะะัอ่านเห็นละ แต่มักควิตีของคุณไม่ถูกก็ได้ก็เลยได้แต่รู้ตัวมันรูปคําสัมผัสปรามาตตแต่ต้องไอตัวกิเลสตัวนี้ตัวผีตัวนี้ตัวไอโจรตัวเนี้ยถ้าคุณก็ไม่เก่งหรือแม้เก่งแต่คุณไม่เอาจริงไม่ทําลอเลาะเล่นสัมผัสเกี่ยวข้องลูบๆคำคำมันอยู่อย่าง น, นั้นน่ะปรามาสคือสรุปแล้วไม่ได้กําจัดมันจริงให้มันเกิดผลเมื่อคุณทําให้เกิดผล คนก็ไม่มีการชำระไม่มีการบรรลุธรรมไม่มีการบรรุผลก็ผ่านขึ้นสู่ความทำให้กิเลสมันจางคลายเลยทำให้กิเลสมันลดล ะ, ละดับไปไม่ได้มันก็ไม่เกิดมไม่เกิดผลเกิดมากแล้วแต่ไม่เกิดผลศีลพระปรามทจึงศีลทดนั้นต่างกันกันกบศิริวัตุปาฏาน์ตึกซึ่งกว่าสูงกว่านะ เมื่อคุณทําให้กิเลสลดได้คุณก็พ้นสิริปัตตปา마เมื่อพ้นศิรปตตปา마คุณก็เป็นโสดาบัตอื่นๆก็ทําอย่างนี้แหละทําไปอีกนี่สุดสิริปุปาทานบริสิริปุปาทานนั้นยังไม่ถึงขั้นสิริปราตมา마สด้วยซ้ํำยุดได้แต่แค่เดี๋ยวนี้เต็มไปหมดศิรปุปปาทานแต่บอกสิปตปราตมา마เป็นไงไม่เห็นสํานักไหนอธิบายถูกสักสำนัก ขออภัยนะผมใหม่โพธิรักหมู่นี้มันน่าอ้วกจริงๆยกตนข่มท่านไปหมดนะจริงๆนาอาตมารู้สึกรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเรามันพูดไปแล้วมันรู้สึกว่ามันเออนะคนที่เขาไม่รู้ไม่เชื่อถือนี่มันเข็นใจเขาว่าน่ามันไสเยิ่ยโพธิรักแต่พวกคุณอาตมาก็ว่าพวกคนไม่มีปัญหาอะไระคุณไม่ได้พึดสาคุณเชื่อมั่นใจว่าอาตมาไม่ได้อยากอวดตัวอวดต้นอะไร แต่พูดไปอย่างนี้มันอดต้นอย่างพระพุทธเจ้าท่านเนี่ยถ้าคนต่างาศาสนานี่มาฟังพระพุทธเจ้าท่านคุยตัวนะเราในเลยใหญ่ที่สุดไม่มีใครที่จะเท่าเทียมได้ไม่ใช่ฐานะที่จะเกิดคนอย่างเรานี่แม้แต่ในระยะเวลาใกล้ๆก็ไม่ใช่ฐาน ะ, ะฐานะที่เกิดได้หรือว่าจะเกิดพร้อมกันสองคนสองรูปแบบเราไม่มีเป็นไปได้ นานกว่าจะเกิดได้สักรูปหนึ่งอะไร่นี่เป็นต้นพูดเฉยหน้าตาเชยยกตัวเองอย่างโอ้โหท่านมีบา ร, รมีเพียงพอแล้วมีคุนราศีที่โอ้โหฉับพันธรังสีที่มันไม่เหมือนอโพธิรักไม่มีเลยฉับพันธะยวาวจะฉับพันเลยแสง แสงอะไรแสงริบรียังไม่เคยมีเลยฮะแสงรีบปรี่ยังไม่เคยมีเลยนะแสงหิ่งห้อยแสงเทียนอะไรก็ยังไม่เห็นพอมีเลยเมื่อพูดใดสามารถที่จะผ่านเซลมาตุปปาทานได้ก็นั่นแหละอุปทานตัวนั้นไม่ได้ยึดไว้เฉยๆไม่ได้ยึดแค่ ถือไปเพื่อเฉยอัตวาทุปาทานฟังดีๆตัวนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสอันนี้ตั้งแต่ยุคของท่านศาสนาเทวนิยมเป็นศาสนาที่มีอัตตาเรียกภาษาว่าอาตามันภาษ า, ษ า, ษาสกฤตและอัตตายิ่งใหญ่นั้นคือปรมาตตมันยุคนั้นเป็นศาสนาอัตตา ท่านต้องปรินปนามอย่างสําคัญอย่างอนุโลมปฏิโลมอย่างระมัดระวังอย่างยิ่งเพราะเขายึดอัตตากันหมดได้ว่าอัตตาไม่มีไม่ได้นะไปลบหลู่อัตตาตายนะตายกันเป็นเบอือเลยตายเปไม่รไรศาสนาในยุคนั้นเขายังงั้นจรงิจรงๆเลยังไม่มีใครรู้เราเรื่องศาสนาพระเทวานิยมไม่มีศาสนาที่อนัตตา ไม่เคยโผลไม่เคยมีไม่เคยคอธิบายได้กล่าวถึงไม่มีเพราะฉะนั้นพระเจ้าท่านได้จัดเอาไว้ว่าอัตตาวาทุ ป, ปาทานี่คือผู้ยึดได้แค่วาทะวาทะแปลว่าก็พูดนันไปพูดถึงอัตตาใหญ่ประมาทัใหญ่ประมาจตมันโอ้ยพระเจ้าองค์ใหญ่โย่จะ้องงอย่างนี้แต่พูด อัตตาตัวนี้มีแต่คำพูดเขาไม่รู้จักหรอกว่าองค์ปรมาตมันเป็นองค์อย่างไรสภาวะอย่างไรมีคุณสมบัติอย่างไรจ ร, งจริงๆก็พูดเลาะใจใจตามๆกันไปเฉย ๆ, ๆคือเป็นศาสนาปากเปล่าไม่รู้จัก อ, อัตตามันจริงไม่รู้จักปรมาตมันจริงนี่คือความหมายในยุคนั้นของปริ้าท่านกับซึ่งท่านต้องปฏิบัตน n ท่านพยายามไม่อธิบายมาก อธิบายมากเป็นโอดทัยคนที่มีปัญญาก็รู้กันก็ค่พูดแต่ยุคนี้ไม่ต้องกลัวเราไอยู่ในประเทศไทยด้วยพุทธศาสนิกชน9้าปเนขออภัยอัตมาก็เกรงใจาศาสนาอื่นอยู่บ้างเหมือนกันแหละมันมันไม่อยากจะไปพูดนฟาดฟันอะไรมากนะักแต่ตอนนี้เป็นการศึกษาก็ต้องพูดกันอย่างกระจักกระจ่างชัดๆเพราะฉะนั้นในยุคนั้นเนี่ย อัตวาทุปาทปาทานหมายถึงนั่นแหละอาตมันหรือปรม า, าตมันนั่นแหละที่สอนกันได้แต่แค่วาทะวาทะแปลว่าลทัทธิก็ได้ลทัทธิมีแต่ปากพูดไม่มีของจริงคุณไม่รู้จักของจริงคุณไม่เคยสัมผัสของจริงรนี่คือยึดได้แต่แค่ลอยลลมล ม, ลมนั่นคืออัตวาทุปะทานในความหมายของเทวนิยมอัเทวนิยม ทีนี้อัตวาทุปาทานในพวกลัทธิพุทธลัทธิพุทธเนี่ยเข้าใจก็ยากไอ้ที่พูดอย่างเมื่อกี้นี่อาตมาพูดเนี่ยก็ัดเข้าใจยากอยู่แล้วนะของพุทธเนี่ยจะว่าง่ายเชิงหนึ่งดูมั น, น ง, ง่ายแต่อีกเชิงนึงยากยิ่งกว่าอีกเพราะว่ามันอวิชาขั้นพุทธเหมือนกัน มีความเข้าใจอนัตตาเหมือนกันและอนัตตานะั้นมีคาว่าไม่ไม่ไม่เป็นอัตตาที่นี้ภาษาบาลีมันมีสองคำอะอ น, นะกับนิระนิรัตตานิระก็แปลว่าไม่อ น, นะก็แปลว่าไม่สองคำเนี่ยนิรัตตากับอนัตตาเพราะฉะนั้นก็เลยพระพุทธเจ้าก็เลยใช้สองคำนี้ นิรตาเอาไประบุว่าผู้ใดยังไม่มีอัตตาแบบนิรตาคือมิจฉาทิฏฐิผู้ใดคนพบความไม่มีอัตตาได้ปฏิบัติจนถึงขั้นอนัตตาได้คือความไม่มีที่ถูกที่สมมาอนัตตาทึ่อนัตหรนิรตาคือไม่เดยกันทั้งคู่นะ ทีนี้ชาวพุทธก็ตามก็มีแต่ปากพล่อยพร้อยอ ย, อ ย, อยถึงอนัตตาแต่ความจริงตัวเองไม่รู้จักอัตตาเลยโอร า, อตตาออริกะอัตตาคืออะไรมโนมยอัพตาคืออะไรอรูปะอัตตาคืออะไรบ่หูบ่หูบหไม่ได้รู้เรื่องอะไรซ้ำ ม, มินหนำพวกที่เคยยึดติดตะกกะภาษา โดยตีความว่าอนัตตาคือความไม่ใช่ตัวตนไม่ต้องไปแปลว่าไม่มีตัวตนแปลว่าไม่ใช่นะอนัตตานี่คือไม่ใช่ตัวตนใครไปคืนเข้าใจว่าตัวตนมันมันมันใช่อย่างงั้นอย่างนี้เป็นใช่ตัวตนหรือว่ายังมีตัวตนอยู่ในสภาพใดไอคนนั้นแหละคือคนที่มีอัตตาแค่ตะ ก, กะนั่นเนี่ย แค่เข้าใจเอาเหตุผลวนะ่าถ้าใครไปเข้าใจว่าอัตตามีไอคนนั้นยังไม่ชาติทิฏกแค่เข้าใจอะ่ะใครไปยึดว่ามีอัตตาก็ท่านสอนอยู่แล้วว่านี่สัพเพธรมมาอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีตัวตนมันไม่ใช่ตัวตนแล้วมันมามีอยู่ตรงไหนอะ่ะใครไปเข้าใจว่ามีเองนั่นแหละเองนั่นแหละนิรัตตานั่นเขาว่านิรัตตาคือคนนี้เลยแต่แท้จริงตัวเองก็คือนิรัตตา ฟังเข้าใจไหมตัวเองนั่นแหละได้แต่ปากพูดโดยตัวเองไม่เชื่อไม่คิดไม่ศึกษาว่าจริงๆมันมีตัวเองยังมีอยู่แล้วยังไม่ได้ศึกษาเลยว่าเป็นยังไงเพราะนั้นไปพูดอราธิกาอัตตามโนมยอัตตา อ, อรุปอัตตาสอนไม่ที่ไหนไม่เห็นมีในพระเตปิฎกนี่คําว่าสามอัตตานี่มันอยู่ในพระเตปิฎกเล่มเดียวอาตมาเห็นเล่มเดียวอยู่ในเล่มเก้าเล่มเดียวเล่มอื่นไม่มีเลย อัตตปฏิลาภเนี่ย อ, อยู่ในโปรดทัปปัุเออไอสูตรที่ว่าปัญญากระสีล้างกันเหมือนเท้าดึงเท้ามือดึงมือนเนี่ยอยู่ในสูตรอะไรนะเดี๋วให้ดูทีล้างเนเท้าล้างไอเท้ามื อ, มอด้วยล้างไอมือเท้าล้างไอเท้าสูตรอะไรอัตมากําลังอ้างอิงอยู่ยังอ้างอิงอ่ะยังมาเปิดหาไม่เจอเมื่อกี้นี้ยังเขียนหนังสือมันจะอ้างอิงอ๋ออ๋โสดนนะาตันสุขอภัย แมอาตมาเนี่ยเริ่มเก้าแล้วนี่นนยอยู่แล้วเพิ่นข้อร้อยเก้าจุดาโซนะอันที่ไอ้เราก็ว่าจะเป็นโซนะหรือพวกนี้ยังอะไรไม่บอกอ่าเอาละขอบคุณขอบคุณว่าจะให้ท่านสองท่านนั้นค้นให้ยังไม่ได้บอกแต่ทีนี้พระเยซูได้ทำนี่ก็กค้นเร็ว เพราะในอัตวาทุปาทานเนี่ยของชาวพุทธเราเอง mm hmm. ก็รู้ว่าพระเจ้าท่านสอนอันนี้ mm hmm. ก็เลยไปแปลอัตวาทุปท า, านว่าใครที่ยังยึดตัวตนอยู่แล้วก็ไม่เข้าใจนะว่าตัวตนคืออะไร mm hmm. คืออัตวาทุปท า, านทั้งนั้น mm hmm. ทั้งตั้งที่มีคําว่าวาทะ mm hmm. ท่านผู้รู้ท่านก็แปลท่านก็ไม่ได้ทิ้งคานะท่านก็แปลว่า ยึดคำพูดนั่นแหละเป็นอัตตายึดได้แต่คำพูดเป็นอัตตาถ้าก็แปลอยู่แปลถูกอยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าออะไรไว้คคำพูดเป็นอัตตาก็ได้แต่พูดว่าอัตตาไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมีสภาวะอัตตานะเป็นสภาวะอะไรอย่างไรแท้ๆไม่เข้าใจไม่รู้ ภาวะของความเป็นอัตตาตั้งแต่อัตตาหย่าบโอราทิกอัตตาเป็นยังไงมโนมยอัตตาเกิดอัตตาสามนี่ที่อัตมาหยิบขึ้นมาอธิบายเนี่ยแล้วก็พาพวกเราปฏิบัติจนเข้าใจอ๋อโอราทิกเป็นอย่างนี้โอราทิกอัตตามโนมยอัตตาซึ่งไม่ง่ายนะอรูปอัตตายังจะเข้าใจง่ายกว่ามโนมยอัตตานี่เข้าใจยากกว่าเพราะว่าซับซ้อนหลายชั้นมโนมยอัตตาโอราทิกอัตตก็ง่ายกว่า มัน อ, าตาอัตยาบเกี่ยวข้องกับของหยาบหยาบใหญ่สมวมโนยะอัตตานะั้นอัตตาที่มันมันสําเร็จด้วยจิตลืมตาก็เป็นอันมนมยอัตตาได้หลับตาก็เป็นมโนยะอัตตาได้คุณสมบัติของอัตตาที่ลดลงลดลงลดลงสําเร็จด้วยจิตทําให้อัตตาหายไปก็คือภาวะของมโนมยยะอัตตา มโนมียาเนี่ยแปลว่าสําเร็จด้วยจิตคุณปฏิบัติสําเร็จจริงๆเลยนะก็ทําอัตตามันลดได้ก็คือความหมายของมโนมียอัตตาหลอกลวงเราเองก็มโนมียอัตตาไม่รู้จักอัตตามันก็เป็นหลงไอ้ที่มันหลอกมันลวงนะ่ะเป็นอัตตานะว่าตัวเองได้ทั้งที่ตัวเองมีอัตตาทําให้อัตตาเพิ่มขึ้นกลับหลงว่าตัวเองเก่งมีฤทธ นี่แหละฉันมีเนรมิตรูปขึ้นมาเห็นเนรมิตเทวดาขึ้นมาเห็นอยู่ในภพในนั่งหลับตามโนมัยาตาหรือแม้แต่ที่สุดลืมตาออกมาเนี่ยสายนั่งหลับตาที่ไม่รู้ภาษาบอกว่าโอ้โหเนี่ยตาทิพตาดีแล้วมันจะเห็นหมดเลยทุกอย่างมันไม่มีอะไรโรอกคนก็เหมือนกระดูกเดินได้ลืมตาขึ้นมาเห็นเห็นคนเดินไปกระดูกเดินยงยองยอ ง, ยอ ง, ยองจริงเลยนะ ยิ่งก็เอ็กซเรย์หายไปหมดเลยเห็นแต่โครงกระดูกมันเดินเห็นอย่างนั้นจริงๆเลยนั่นแหะมนุัมยตาตาหลอกตัวเองแล้วรู้ที่สมัมผัสจิตจิตมันสําเร็จริงๆเลยมันโอ้โหมันปั้นขึ้นมาสาเร็จอาศัยโครงสร้างของคนเดินไปตามนั้นขาเก้าเห็นแต่กระดูกเดินไปโครงกระดูกเดินยงยง ย, ง, ย, ง, ยงนี่เป็นตน้นนะ เพราะงั้นในการเกิดการอัณมมิยะตาเนี่ยลืมตาก็ะไรถ้าได้ยินเห็นรูปผีเห็นรูปอะไรเนีมโนมยะตาทั้งนั้นเห็นรูปหลอกได้ยินเสียงหลอกได้กลิ่นหลอกสัมผัสรถหลอกไอจ้จริงจรไอ้ที่คุณติดรถไอ้รถของจริงมันก็คือรถจริงแต่ไอ้รถหลอกก็คือรถที่คุณไปติดเป็นอัศาธาเป็นอาสาทาเป็นรถหลอกเป็นเทศ น, น์มาเป็นสวรรค์นั่นแหละนั่นแหละ คุณก็ไปยึดว่ามันเป็นอัตตาแต่คุณไม่รู้มันยึดใครรู้แล้วก็ล้างไปอัตตาของคุณก็หายไปนะแตะรถแตะรูปแตะเสียงแตะกลิ่นอะไรก็ได้แต่ของจริงตามความมันจริงที่มันมีมันเป็นส่วนที่ที่มันเกิดสภาวะแฝงสภาวะหลอกที่เป็นมโนมยะอัตตาเป็นสิ่งที่สำเร็จด้วยจิตจิตมันยังติดยังที่เป็นอัตตาขึ้นมามันก็สาเร็จด้วยจิต แต่ถ้าจิตมันไม่ได้มีแล้วสปัตดดย์ยังไงมันก็ไม่มีไ ม, ม่เกิดอัตตาเห็นแต่ความจริงตามความเป็นจริงด้วยปัญญาโมมิยตาจึงลึกซึ้งเขาก็ศึกษาไปส่วนอรูปอัตตาก็คือเรือเศษสุดท้ายเราโอราที่อัตตาก็ตัวยาส่วนโมมยะตาเนี่ยเขาใจยากสุดท้ายผู้ที่จบแล้วก็อยู่กับโมมยอัตตาเป็นอัตตาที่เป็นอรหัน ไม่อาตาที่ไม่ลึกลับแล้วแล้วก็อาศัยอยู่อย่างพระโมคคัลลาน่านี่ท่านเป็นจริตของท่านต้องอาศัยเป็นรูปเป็นโครงร่างเป็นอะไรจริงๆท่านก็เห็นรูปปั้นรูปอยู่แต่ท่านไม่ได้ติดเป็นเราเป็นของเราจริงๆมันไม่ใช่ตัวตนท่านก็สําเร็จของท่านเพราะจริตของท่านเป็นอย่างนั้นท่านจะเห็นก็เห็นแต่ท่านไม่ได้เห็นว่ามันเป็นของจริงมันเป็นเครื่องอาศัยเป็นสมมุติสัจจะอย่างนี้เป็นต้นนะ พระนผู้ที่รู้แล้วไม่ลึกไม่ลับแล้วในอัอนอตตาอรหัตตาเพราะนั้นมันลุ่สูงสุดแล้วมันมีไม่มีสิ่งที่เป็น ส, ส, สภาพที่มันเป็นอัตตาเพราะ น, นอัตตก็ไม่เหลือสักอย่างไม่ว่าโอรารคกัตตามโมหะยัตตาอรูปอัตตาก็ไม่มีสักอย่างเพราะงั้นคาว่าอัตตายึดอัตตาจึงยาก เดี๋ยวนี้ก็ยังยากที่เขาจะรู้ก็จะเข้าใจนะแปลคําว่าอัตวาทุ ป, ปาทานก็หมายถึงอัตตาเนะี่ยยึดอัตตายึดอัตตาจริงมันเรื่องไกลนี่มันยังไม่ถึงอัตตาเลยอัตตาคุณยังไม่รู้เรื่องเลยคุณยึดได้แต่แค่วาทธาเท่านั้นได้แต่คําพูดได้แต่ปากเปล่าได้แต่คิดเฉยๆแต่คุณยังไม่รู้จักสภาว่าควาอัตตาแต่อย่างใดนั่นคืออัตวาทุ ป, ปาทานในความหมาย เห็นมมันซับซ้อนรึกซึ้งสักไปถึงเท่าไหร่นี่คืออุปาทานสนะวันนี้ก็คงได้ทุนนี้มัง้งนี่มันทุ่มสองนาทีแล้วตามนาฬิกาตะมานะจบไปแค่อุปาทานยังไม่ขึ้นตันหาตันหาจะยาวอีกเลยนี่ไม่ใช่วันเดียวแล้วตันหาเนี่ยนะตันหานี่ไม่ใช่วันเดียวแล้ว มันจะว่ากันไปอย่างเดียวนานก็ค่อยว่ากันวันนี้20่สเท่าไหร่ฮะอีกสามแล้ววะไม่อยากจำวันที่มันไว้กัน คือก็ดักหน้าอยู่จะต้องส่ ง, สงต้นฉบับเดือนหน้าต้องส่งต้นฉบับเงี้ยใครมันจะอยากให้มันวันไปถึงเขียนไม่เสร็จเลยเขียนยังไม่ได้ถึงครึ่งเลยทวนแล้วทวนอีกอยู่นั่นแหะแต่เวลาเอาเข้อจริงเดียวก็รีบๆเก็ บ, บทวนแล้วก็ไม่ทวนใหม่และอัลละอัตมาก็ขอผ่านสําหรับวันนี้นะ พบและอุปทานก็ได้อธิบายกันระบสมควรตั้งใจเรียนเดียนดีๆฟังไปแล้วเนี่ยมันพอจะมันพอมีน้ำยาบ้างไหมอะอาตมาจะได้หานมจีนให้จะได้ระสมกินน้ำมจีนน้ำยาอ้าวทีนี้ก็เหลือเวลา ถามสรุปวิจัยวิจารณ์อะไรก็ว่าไปภาคต่อไปเอ้าวคารวาสกอนยกมืออ้าใครยกมือก่อนยกสูงสูงยกอยู่แค่นี้ไม่เห็นหรอกแหมทำไมนักกลัวติ่ น, นอนอกไงอ้าฟ้ารักอ้าเชิญ ยกมือไว้จนกว่าไมโครโฟอนจะไปถึงมือแล้วค่อยเอาลงไม่ต้องกลัวเมื่อยนักหรอกเงินฟารักของฟารักให้ฟารักอพอไมโครโฟอนไปถึงมือแล้วค่อยเอาลงเราได้ไมโครโฟอนไปถึงมือแล้วไม่มีปัญหาอนะไรพอถึงเวลาเราก็เอาเลยพอทั้งนี้เขาหยุดเราก็ต่อนอกจากมันจะสองคนก็ค่อยๆใครก่อนใครหลังก็ดูคิวกันจริงๆอ้าวเลยเใครอยากจะอีกยกเลยยกก่อนไว้แล้วก็จะได้ไมโครโฟอนไปถึงมือจะได้ไม่ช้า กราบขอาการ เ, <อ>เชิญ่านค่ะเมื่อพ่อท่านสอนพุทธชีวสิ่์ครั้งที่สนะคะพระรักได้ทำบันทึกแล้วก็เกิดข้อสงสัยถามก่อนเพื่อจะมาละเอียดอ้าวเชิญเชิญชแวจะวิจารณ์จะสรุปจะถามได้ทั้งนั้นพรอท่านพูดถึงพระโสดาบันที่พวกเราจะต้องปฏิบัติพรอท่านบอกว่าถ้าเป็นชาวโศกนี่ ก็จะต้องรักษาศีลห้าเป็นพื้นฐานแล้วก็ปฏิบัติลดละอบายามุกจนกระทั่งเห็นความดับในอบายามุกนั้นได้ค่ะแล้วก็มากินอาหารมังสวิรัตแล้วพระโสดาบันที่แท้นั้นต้องข้ามพ้นสังโยตสามใช่ไหมค ะ, ะก็คือจะต้องละสกายะทิฏฐิของคนแต่ละคนซึ่งไม่เหมือนกันแล้วก็ละออมาได้ของใครข้ามันของใครของมั น, มนสักกะเนของต น, งตนแต่ว่าของตน พ อ, พอพ้นอันนี้มาได้หมดสงสัยแล้วก็ไม่ปรามาตในสิ่งที่ตัวเองสิ้นพจน์ตัเองทำก็จะเป็นโซดาปฏิผลทีนี้เมื่อปฏิบัติต่อไปเพราะท่านบอกว่าปฏิบัติต่อก็จะมีการลดละกามราคาปัดหรือว่าพระลักสงสัยในธรรมพุทธสุดลึกนะคะหน้าเกาสิบที่บอกว่าละสังโยชตเบื้องต่ำห้าคือมีสักละสักยทิฏฐิละวิจิกิจฉาแล้วก็ละสีระประตปรามาตร แล้วก็มันมีกามาฉันทะ ก, กับพยาบาทะอันนี้มันคือมันคือสภาพของกามาพบต่อเป็นไงที่ต่อต่อมาจากโสดาบันใช่ไหมคะสามนนะะสังโยชนี่เป็นสังโยชน์สูตรหลัก ค, คุณทำได้ทำไปนะอ๋อวิธีปฏิบัติมันอย่างนี้เองมันทำให้กิเลสลดได้คุณคคก็ได้สูตรวิธีปฏิบัติแล้วและคุณปฏิบัติอัญญาไปหมดคุณก็ทาต่อ พราอันญาบหมดแล้วคุณก็ได้เป็นโซดาบันขั้นตน e <an> ้นเ <orn> สร็จแล้วต่อจากนั้นคุณก็ปฏิบัติปฏิสกิทาคามีไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆกามาพบที่เหลือพยาปาทะที่เหลือคุณก็ทําไปต่อต่อต่อหมายถึงว่ากามราราคากับปฏิฆาเนี่ยมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆใช่ <C> e <an> คุณก็ปฏิบัติสองอันที่เหลือนี่แหละไป <C> e <an> เรื่อยๆมันเยอะนะอันนี้เยอะนะมันยาวมันมากมันนานจนกว่ามันจะหมดเพราะท่านก็บอกว่าพระท่านพูดว่า เอ่จนสุดท้ายนะคะเราจะเข้ามาถึงข้างในเพ่อท่านก็จะอธิบายรูปประพบอารูปประพบ<อ>และบอกว่ามันเป็นกิเลส ช, ชั้นข้างในแต่ไม่ได้หมายความว่าเข้าไปหลับตาแล้วดูข้างในไม่ใช่ใช<อ>แต่เป็นการลืมตาสัมผัสอยู่นี่แหละในโลกแห่งกรรมมคุณห้าเดียวกันนี้แหละเมื่อกระทบสัมผัสภา ย, ภายนอกตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงทั้งทวารทั้งห้าทั้ง ห, งหนะคะท่านไม่เกิดกิเลส แ, แล้วไม่ทยานอยากแล้ว จะซ้อนมีอาการอะไรอยู่บ้างแต่ก็อยู่ภายในจิตไม่มีริดแรงมาข้างนอกหมดความเป็นสัตว์ในภพนอกอตรงนี้ก็คือเข้าสู่รูปภพอรูปภพเป็นโอปปาติกะใช่ไหมค ะ, ะเป็นพระอนาคามี<ช>ก็จะคือจะท่านได้ล ะ, ะสังโยชน์เบื้องสูงตอนนี้จะเป็นสังโยชน์เบื้องสูงใช่ไหมคะใช่ใช ซึ่งพรอท่านอธิบายวันนี้ก็ซ้ำคล้ายกันแต่ว่ายืดยาวกันอธิบายมาไม่รู้กี่ครั้งกี่คราวแล้ว <c oughs> อาตมาอธิบายถึงขั้นว่า <c oughs> เพราะอนาคามีเนี่กามาพบท่านลดจริงพยาบาทท่านก็ลดไปจริงท่านลดลงไปอาการมาราคะข้างนอกนี่ท่านมีปัญญาเห็นจริงถึงจะเป็นอนาคามีจริงอาตมาอธิบายจําได้ถึงขั้นถ้าใครอยาก จ, จได้ว่าอาตมาเคยพูด อนาคามีนี่ไปถึงทําบัตรต้อนรับที่บ้านไม่เป็นไรเราให้นอนลูกสาวในห้องสาวเขาเลยนะเพราะาอนาคามีระวังลูกสาวคุณอย่าไปปล้ำท่านแล้วกันท่านไม่ทําอะไรลูกสาวคุณหรอกอะไรเงี้เป็นต้นมันจริงอัตมาเคยอธิบายอย่างนี้ใครเคยได้ยินไหมจําได้อัตมาทีา่มาไปเจนถึงก็นาดนี้่จาไปคือเ้างนอกนี้ท่านไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ได้เกิดรอดแล้วมันเกิดเสศศีด้วยนะค่ะ มันเก<พ>ิดไม่ศักดิ์สิท์เรามันก็สบายสบายแต่คนที่ยังมีมานะถือดีเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามีเสียศักดิ์ศรีมันเออไม่เอาหน้าอายหน้ามันพ่อท่านพูดตรงนี้รู้สึกว่าดีค่ะเพราะท่านบอกว่าอนาคามีหรือกะจะมีปัญญารู้ความจริงว่าเราจะไปเกิดในภพกามอีกหรือมันสาหัสน ะ, ะไม่เอาหรอกเออไม่เอามัไปเกิดอะมาอีกอาาแล้วก็ไม่ทำออกมาข้างนอกเป็นมนุษย์โสดำสหรับคนอื่นแต่ตัวเองเป็นสัตว์ เรียกว่าโอปปาติกาสัตว์เหลือเท่านั้นแหละเหลือนิดเดียวเหลือใจส่วนในคทำภารกิจสังโยชน์สังโยชน์ชั้นสูงอีกนิดค่ะเพราะท่านอโอปปาติกาสัตว์อาจจะเกิดในขั้นที่กําลังทําโสดาสกิทาแล้วมันมีบางเรื่องมันเกิดตัวนี้บ้างเล็กน้อยได้ไหมฮะแล้วสะสมไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะ เหมือนกับว่าเราจะบวชแต่ว่าเราอาจจะยังไม่ได้บวชรูปนอกยังไม่ได้โกนหัวแต่มีความเป็นอนาคามีจิตได้ใช่ไหมคะไม่มีปัญหาอะไรเป็นอรหันต์หนึ่งได้เลยเป็นคารวะ <c oughs> หนึ่งก็เป็นอรหันต์ได้ราษฎรภูมิได้ขไม่ปแปลกอะไรขอบคุณค่าะน่มากค่ะเชิญผู้อื่นเลยเอ้าวใครที่คนที่สองยกมือแล้วค<า>นที่คำนั้อ้าวานี่พึ่ง<า>กยกเลยพึ่งไงไป น, นะคนที่เขามีไมโครโฟนอยู่ในมือใครใครได้แล้วยกมือแล้วก็ใครได้มาเอาเอาโน่นนะ ครับกระทำกระทำครับเออเอาเอ า, เอาคนต่อต่อมาก็ถือครับเกระทา<ป>ครับเอาอ่าก็ยังฟังมานานแล้วครับแต่ความรู้ก็ยังงูงูปลาปลาอยู่แต่ก็จะถามแบบงูงูปลาปลานะครับไอ ง, งูงูปลาปลาเนี่ยังดีนะอาตมากลัวจะได้แค่ใส่เดือนกิน้งกนะแค่งูงูปลาปลานี่ยังราคาแพงกว่าใส่เดือนกิ้งกือ่าถ้าผมจะลองทํำฟงเข้าใจกับเรื่องพบนะครับแต่ถ้าเกิดว่า ผิดตกยังไงเพอาะท่านช่วยที่แจงด้วยนะครับเอ า, เอานะแชแนนอนอยู่แล้วคือกรรมมาพบของผมเข้าใจว่าผมเข้าไปในตลาดอืไปเจอเสื้อผ้าลายสก๊อตนี่ชอบมากเลยโอ้โหกรกรมกรรมมพบคืออยากได้แต่ตอนนั้นไม่มีเงินเอแต่ก็อาคาดได้ว่าเดี๋ยวจะไปหาเงินมาซื้อให้ได้อาคาดไว้เลยนะจองเวรจองกรรมไว้เลยวยคือคือฝังใจงแล้วว่าต้องไปหาเงินมาซื้อให้ได้นั่นนะอันนี้คือกรรมมาพบใช่ไหมครับใช่ อ่ะเอเยสทีนี้ต่อไปก็รูปประพบทีนี้รูปประพบรูปประพบนี่มันมันเป็นข้างในแล้วทีนี้ข้างในทีนี้ผมจะไปใส่มาให้อคุณงามดีมากดูนี่ก็ลายใจแล้วทีนี้รู้สึกไม่ไม่ยากัเกินเป็นความรู้สึกเฉยๆแต่ถึงขั้นลงมือที่จะเอามานี่ไม่ไม่ไม่ไม่คิดแล้วอันนี้เอออ่าใช้ได้ใช้ได้อ่าอ่าตาฮอนนี้ก็ใช้ได้เออ ไม่ไม่เอาแล้วไม่อยากอวดและอายมีผมลายแล้วจะมาใส่ให้คุณงามดีมากเอาเลยถ้ายังงไอยากอวดอยากได้ครับได้พออนาคามีแล้วไม่เอาไม่กล้าอวดมีมีก็ไม่อยากจะได้แล้วเอาเพื่อายแล้วแล้วอารมณ์พบคือไม่มีพบใดๆแล้วครับอไม่มีพบใดๆแล้วจะไม่ใช่แต่เรื่องเสื้อผ้าเรื่องใครโกรธเกลียดอ เกี่ยวกับเรื่องคนมาว่าก็คือไม่ไม่กระดิกแล้วเหมือนที่พ่อท่านเคยบอกว่าเหมือนแบตเตอรี่ที่แบตเตอรี่รถที่ชาร์จแล้วมันไม่ติดมันแงี้ยเงี้ยที่มันไม่ติดนะครับอันนี้คือของอาลุปภพใช่ไหมครับอ่ามันก็งูปลาพอใช้ได้อยู่ครับเออเอาเอาละงูปลาใช้ได้ไม่ถึงครบเซเดือนกิ้งกืออ้าวไปคนยกอะไไมโครโฟนในมือเอาเลยใครอีกก็ยกมือแล้วเดี๋ยวไมโครโฟนเดินไปถึงตัว ไม่ต้องเสียเวลายกมือไว้สรุปไม่ไม่เก่งไม่เป็นแต่ดิฉันเอาอย่างี้อย่างี้เหมือนนักร้อมดีขอตัดเพอพอตัดพอพ่อท่านนะคะนั่นแน่ดิฉันว่าดิฉันเห็นแสงปลายอุโมงค์แล้วนะคะถึงจะรีบหลีตาไม่ไม่สว่างเหมือนใครแต่พ่อท่าน พูดเมื่อกี้นี้เหมือนกับพ่อท่านไม่มีแสงดิฉันอุตส่าห์มาถึงบ้านราษแล้วนะคะอยากจะได้แสงสว่างจากท่านบ้างอ oh. ก็ก็ขออนุญาตนะคะ oh. พ่อท่าน oh. โอนให้แสงสว่างด้วยคะ่ะอ oh, ้แมแมแม่แคมคลายนะ oh. อ๋ออะไรเพิ่งจะยกมือโดนยกไว้ก่อนที่ยกแล้วก็ไมโครโฟนไปถึงมือเลยเห็นไหมเสียเวลาเดินทางไมโครโฟนนี่โก้ เนี่ยพอดาคนนี้ได้คนต่อไปก็ยกไว้แล้วก็เดี๋ยวไมโครโฟนเดินไปสังมือคนที่เขายกอา้อาวอไมโครโฟนตัวนั้นถึงก่อนอตัวนี้ถอยมาอา้าวคนนั้นจะยกอีกก็เดินทางไปเอาเลยได้ไมโครโฟนแล้วเอาเอาได้ไมโครโฟนแล้วว่าเลยกราบนามสกามค่ะพ่อครูก็วันนี้อยากจะลองหัดสรุปดูนะคะพอท่านตอนแรกพ่อท่านจะพูดถึงว่าเรื่องเขียนหนังสือ ก็ดิฉ oh, oh, ันรู้สึกว่าอ่านหนังสือพ่อท่านนะคะรู้สึกว่ามันอ่านแม้จะยากแต่ก็สนุกค่ะเออเข้าท่าสนุกอ่านแล้วถ้าเรามีสภาวะเทียบด้วยคืออ่านแล้วมันจะไปไปได้สนุกกว่าไปสามไปสนังจีนอ่นนังจีนไหมเนี่ยแต่แต่พออ่านแล้วไปอ่านหนังสือของพระสํานักอื่นมันจะจืดชืดเลยค่ะของพ่อท่านมันแบบว่าจะมีนู่นมีนี่ละเอียดอะไรเป็น ก็เลยไม่อยากอ่านของสํานักอื่นแต่พอท่านก็มีแสงมีมีอะไรอที่เรียกว่าราสีค่ะทำมะลังสีอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีมีนะคะขนาดอาจะอาจมาก็พูดทับกันไปงั้นแหละก็แสงจริงๆมันไม่มีหรอกมันไม่เห็นหรอกแต่ไอ้แสงที่ว่านันเป็นปัญญาปัญญาปัญญาณาลานังรัตนังแสงแห่งธรรมะนะคือว่าดิฉัน ก็จะพูดถึงเรื่องอัตตานะคะคืออัตตาสามถ้ามันเป็นอัตตาสภาวะของตัวเองก็จะเป็นอัตตานี่มันจะอึดอัดมันจะไม่เหมือนกามะถ้ามันขึ้นมากๆก็กามก็จะลดใช่ไหมคะมันไม่อยากจะกินข้าวอะไรโธ่ไม่กินข้าวก็ตายแบบเนี้ย เออไม่ได้ไม่ได้อไม่กินข้าวไม่ได้หรอกนะมันเหมือนกับคนไม่อยากมีชีวิตแล้วก็ไปให้เขาฆ่าเราเองตายอย่างงี้อย่างสมัยวุติจ้ามันไม่ได้มันมันเลยเถิดมันไปเยินใหญ่แล้วทําไมเขาบอกว่านิรตาไม่มีแต่เราเห็นอัตตาเราเยอะอึดอัดอึดอัดอ่ะเขาเองเขาเป็นอย่างนั้นถ้ามีพระเจ้าเขาเองเขาเข้าใจได้ตักกะเข้าใจได้เหตุได้ผลเข้าใจไปได้วาทะเข้าใจแต่อย่างนั้นเขาไม่ได้ศึกษาอัตตาเลยก็เป็นนิรั นิรัตาถ้าผู้ใดเหมือนกันนะั้นนิรัตาพวก เ, เทวนิยมเขาก็นิรัตาของพุพทธกพี่มีตวาทะก็นิรัตามือนกันนี่อัตตามันไม่มีอัตตาแต่จางของชาวเทวนิยมเขานะั้นไม่มีอัตตาของเขานะ่คือเขาไม่มีไม่เห็นจริงๆแต่เขามีอัตานะตาเขามีที่นับถือนะแต่เขาไม่ได้เรียนรู้นิริตา อัตตาของเขาเลยเขาไม่มีอัตตาตัวในตัวเขาเองเขาไม่เรื่องในเรื่องอัตตาของเขาเองแต่เขามีอัตตาของพระเจ้าปร ม, าามัตตาปรมตาปรมัตมันอัตมันอัตมันของพระเจ้าเขามีอะไรเขาถือว่ามีแต่เขาไม่ไม่ไม่เคยเห็นเคยเคยรู้หรอกมันมีแต่วาทะมีแต่คําพูดมีแต่ความคิดมีแต่ตกะเขาไม่เคยเจอไม่เคยเป็นจริงไม่เคยรู้จริงไม่เคยสัมผัสความเป็นจิตวิญญาณเทปิคุณสมบัติอันบริสุทธ อันเป็นตรีมูลติที่มันปีทั้งปัญญาที่คุณกรุณาที่คุณแล้วก็บริสุทธิ์ที่คุณอะไรเนี่ยเขาไม่รู้หรอกลักษณะพวกนี้หรือเมตตาการุณามุติตาอุเบกขาที่เป็นพระเจ้าเป็นพระพรหม เ, เขาก็ไม่รู้อ า, าการพวกนี้มันคืออะไรบ้างและลักษณะมันเป็นยังไงจริงพอเขาถึงอธิบายไม่ออกอธิบายเมตตาก็คือต้องการให้ผู้อื่นพ้นทุกข์กรุณาต้องการผู้อื่นเป็นสุขเอา้า นันมันยังไงมันกลับมันแค่นั้นเองอะเลยมุทิตาก็ยินดีที่เขาไม่ทุกข์ไม่สุขไม่ใช่มดพ้นทุกยินดีที่เขาพ้นทุกแค่นั้นเองอุเบกขาก็เฉยเฉยก็อธิบายก็ได้อยู่แค่นี้อย่างนี้เป็นตน้นเขาก็มีตวาทะแต่ก็อวิชาแปดนะคะคือว่าอาดีตเราก็ทุกข์ทางโลกมากๆเลยแต่พอมาอยู่นี่มันก็ยังไม่ค่อยหมดทุกขนะ์ไง ก็ยังเห็นทุกข์อยู่แต่มันก็ทุกข์น้อยลงเรารู้เทียบได้เราจะรู้ว่าทุกข์อย่างโลกมาทุกข์อย่างที่นี่มันคนทุกข์ทุกข์ต่างกันนะทุกข์ท่านมันไปทุกข์เลิกเราก็ต้องจะต้องได้หลาบยศไม่ได้หลาบไม่ได้เจ้ไม่ได้สั่เสริมไม่ได้เลิกกยสูอย่างนี้มันทุกข์แต่มาทางนี้เรากลับบอกว่าเออเราลดไม่ได้มันทุกข์ลดกิเลสไม่ได้มันยังมีห่วงราบมันยังมีอะไรอยู่มันยัดยศสั่เสริญอะไรสุขมันก็ยังมีการทําไม่ได้มันทุกข์ มันคนละทุกคนละอย่างกันการนามักราร <L> อ้าวคนต่อไป <l> คนอื่นบ้างค่ะอ้าวใครได้ไมโครโฟนไม่ในมืออ้าวด <โ S 1> าเย็นโ อ, โอโกาสพ่อท่านค่ะที่ฉันดาวเย็นค่ะก็ะะประทับใจเรื่องเล็กๆ น, น้อยๆที่พ่อท่านกลืนกลืนก่นขึ้นขึ้นใหม่เลยนะคะว่าศีลงานและวิชาการเนี่ยทำทั้งสามอย่างให้สมบูรณ์ทำอย่างเดียวไม่สมบูรณ์หรอก ท่านว่าอย่างนี้นะคะก็เลยประทับใจว่าจริงๆแล้วพวกเราที่มาเรียนเนี่ยก็หลายคนก็เป็นแม่ฐานนะคะเป็นแม่ฐาน <c oughs> เป็นแม่งานก็ความไม่สมบูรณ์ก็อาจจะเกิดในฐานงานในระยะต้นนะคะที่ท่านเข้าใจว่าอย่างนี้แต่พอแต่พอองค์รวมของเราสมบูรณ์ขึ้นเนี่ยทั้งศีลทั้งงานทั้งวิชาการเนี่ยน่าจะสมบูรณ์ขึ้นขึ้นทั้งสามอย่างะคะ่ะ ขึ้นทั้งสาิค่ะขึ้นขนักงสส่วนเลยนะก็เลยภูมิใจว่าที่จริงแม้งานเราจะหนักเราก็อดสาบืนในการเข้าห้องเพื่ อ, อเรียนไปก่อนนะคะก <c oughs> ็คิดว่าเดี๋ยวการเวลาเหมือนพ่อท่านบอกว่าให้เวลาสักหนึ่งปีเนี่ยคิดว่าเห็นหน้าเห็นหลังขึ้นเยอะนะคะพี่ท่านก็คิดว่าในรอบนี้แม้แม่งานจะหนักก็คือคือก็อดสาบืนเศร้าหนาเศร้าหลังอย่างน้อยก็มาในช่วงเวลานี้ให้ทันก่อนค่ะ ก็น่าจะจัดสรรความลงตัวไปได้เรื่อยๆเราจะเจริญทั้งสามส่วนนะคะรับขอพระคุณค่ะอ้าวก็คนนี้ก็มองเห็นมุมนั้นนะที่อาตมาย้ำ่เอาใครยกมือได้ได้ไมโครโฟนเอาต่อนูนเอาเลยไห้ครูนั่นแหละขออการค่ะเนียนใจค่ะอ่าค่ะเมื่อคราวที่แล้วได้ถามพระครูเรื่องสังคป่าเจ็ดก็กลับเอาไปทบทวนนะคะเพราะว่าเมื่อคราวที่แล้วก็รู้ว่าตัวเองพูดมันก็ยัง มันยังไม่ค่อยชัดนะคะเก็จะลองเรียบเรียงใหม่อีกสักนิดนึงอะคะ่ะลองดูสังค ป, ปัตเจตค่ะคือสังค ป, ปัตเจคือที่ไปประทับใจในคําว่าอาเนนชาคือมันไม่หวั่นไหวแล้วต่อผัสสะนะคะก็เลยกลับมาทบทวนในเรื่องของสังค ป, ปัตเจเนี่ยเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยดิฉันพูดว่าพลังงานจรใช่ไหมคะพลังงานจรก็คือตะกะ วิตกะแล้วก็สังกปะเนี่ยนะคะมันสามตัวนั่นหมวดพลังงานจนพลังงานเจลนะค่ะทีนี้ไอตอนที่มันเจอผัสสะเนี่ยมันก็เริ่มเริ่มเกิดตกะวิตกข่ามันตกอะค่ะมันมีตกมันตกก่อนตกะก่อนวิตกะวิตกะคือเป็นตัวที่พอจิตเกิดมาเป็นสังขารเป็นอะไรพุงขึ้นมาปั๊บ คุณก็จัดการจับตัวนี้แล้วก็วิจัยตัวนี้วิจารณ์ตัวนี้ทำตัวนี้ให้เห็นเหตุแล้วก็จัดการกับเหตุม า, จ, าดดจัดการกับเหตุดับได้แต่การกิเลสลดได้จนกระทั่งถึงดับได้หรือมันไม่ดับมันลดลงก็ตามมันก็จะมาเป็นสังกปะมาเป็นองค์รวมของความนึกคิดสังกปปะ เพราะงบรวมของความนึกคิคุณทำได้เนี่ยมันก็จะเดินทางออกมาจะเมาะเป็นกายกรรมวัจจีกรรมอะไรแล้วมันก็จะไปผ่านอัปปนาพยปนาเจตโสเป็นรูปนาอีกทีหนึ่งตัวนั้นก็จะช่วยกันกรองอีกทีหนึ่งมันมีความแข็งแรงมันมีความตั้งมั่นที่จะช่วยถ้ามันกรองได้อีกมันก็ไม่ไปไหนมันไม่ใช่ไม่ไปไหนมันก็ไม่ออกไปหมดมันก็ลดลงไปได้อีก ซือเหลือส่วนนั้นมันจึงไปปรุงแต่งเป็นวัจีสังขารและมันถึงจะออกไปเป็นวจีกรรมกรรมพึงนอกเป็นกายกรรมวัจีกรรมมโนกรรมเป็นวัจีกรรมเป็นกรรมมันตักคือกรรมทุกอย่างแล้วก็อาชีวะนั่นแหละมันถึงจะออกไปเพราะมันยังไม่ออกไปมันก็จัดการปรุงเพราะฉะนั้นตัววิตักกะนี่คือการจัดการตัวที่จะไม่ให้มีวิเนี่ยจนมันไม่มีได้เป็นผลสาเร็จก็เลยว่าวิมันกันวิอิเสศ เป็นคุณวิเศษสามารถลบกิเลสลกิเลสได้ตรงนี้แหละเป็นกรรมวิธีเป็นกระบวนการที่ทาทั้งหมดจริงๆเป็นกระบวนการทั้งหมดก็ต้องผ่านอัปปนาทำได้เท่าไหร่มันก็จะสั่งสมตัวอัปปนาพยาปนาตัวที่มันจะต้องตั้งมั่นตัวตัวแกนของของของพลังงานพลังงานบวกมันก็จะพยายามช่วยให้มันสงบให้มันลดให้มันอะไรอีก นี่แหละมันก็จะเป็นพงานถ้ามันได้ดีขึ้นก็เป็นพยาปนาาเป็นผลสาเร็จสูงขึ้นือเป็นอภิเจตโสพินิโรปนาอะไรอย่าง น, นี้ต้น<ม>คือรู้สึกประทับใจอีกคํานึงก็คือเจตโสตรงนี้นะคะพ่อครูพอไปดูในความหมายคําแปลที่เขียนไว้เขาใช้คําแปลใช้คําว่าปับใจมั่นอะไรอย่างนี้ค่ะใช่ปับใจมันม่นเจตโสมันไม่ใช่มั่นใจมันไม่ได้เป็นแค่ความมั่นใจแต่มันปรับใจมันมมม่นลงไปเลยว่า แน่วแน่อ ป, ปนาแนบแนันนบน่นพยับปนาค่ะปักมั่นคือเจตสโทผนิโรปนาค่ะ<ม>รู้<ม>รสึกประทับใจว่าอู้ใช่เลยมันชัดเจนเลย อ, อย่าง อ, อย่างเช่นสมมติว่าเราตั้งใจจะทํางานอะไรสักอย่างหนึ่งใบม่ๆเราจะรู้สึกอู้ ว, วันไวมากวิตกมากเลยความค<ต>วกนั่นของมันสูงขึ้นสูงขึ้นค่ะแต่พอเราได้ตัวนี้ปุ๊บเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าแม้จะมีเหตุปัจจัยอะไรเข้ามาเนี่ยเราก็ยังคงมั่นคงอยู่ เราไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเราคิดว่าสิ่งที่เราทําได้ดีแล้วล่ะนะเมื่อเรามั่นใจว่าดีแล้วเราปักใจมั่นลงไปเลยไม่หวั่นไหวไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่างเนี้ค่ะ<ม>รู้สึกโอ้โหยิ่งไปอ่านคําแปลตรงนี้รู้สึกประทับใจกับคำว่าเจตโสมอาพินิโลปนาอย่างมากเลยค่ะแต่ให้คุณภาพมันได้แม้แต่ภาษาประทับใจในภาษาก็ไม่ต้องให้สภาวะมันเป็นะอขอบคุณค่ะอ้าวใครอีกได้ไมโครโฟนในมือแล้วได้อีกคนหนึ่ง เดี๋ยวให้ส ม, มณาให้ซิกมาสบ้างเดี๋ยวเปรี้ยวปากอ่ใครชาเดี๋ยวไปนะเดี๋ยวให้ส ม, มณานิกมาสนะใครไม่ได้ยกมือเลยไม่ได้เอาเลยเหรอมิโครโฟนโอ้แล้วเพิ่งจะยกเอ้ามามโครโฟนส่งมาเมื่อกี้นีม่มโครโฟนอยู่ที่ใครอ่ะมาเอ้าเอ้าเอ้าเอาเ อ, า อ, า อ, าอาใครมาถึงก่อนนะสองมโครโฟนอา้าวมโครโฟนนี้ถึงก่อนครับเอ่อ โอกาสครับผมเข้าใจว่าชาติเนี่ยที่ชาติทั้งห้านะฮะชาตินี่คือเกิดเท่ากับกายเรียนรู้กายแล้วก็สัญชาติเนี่ยเกิดเรียนรู้สัญชาติแล้วก็โอการติก็ย่างลงไอ้นิพัตติคือเกิดที่ที่ไปสู่ความไม่เกิดอภินิพัตติก็คือยิ่งไม่เกิดสำเร็จ ความไม่เกิดแล้วะนะครับแล้วก็การมาพบผมเข้าใจว่ามันเป็นกายรูปประพบอรูปประพบเป็นสัญญาคือเป็นพบที่สัญญาได้ใช่ครับเข้าใจอย่างนี้ครับถูก <พบ S 2> ต้องครับอ้าวให้อีกคนหนึ่งอา้าใครเร็วอ้าวตงข้างดีแล้วไกล กาครับเอาเลยเดี๋ยวผมขอต่อเรื่องสังกัปปะเจตนะครับคือความเข้าใจในเรื่องสังกปปะเจตที่ผมเข้าใจที่จริงสังกปปะเจตในความเข้าใจของผมนี่นะฮะมันไม่การทํางานของสังกัปปะเจเนี่ยไม่ได้ทํางานแค่สังกัปปะเจอย่างเดียวนะครับในความเข้าใจของผมเนี่ยเข้าใจว่าขณะที่สังปกปปะเจเนี่ยกำลังกำลังดําเนินของมันอยู่นี่นะฮะมันจะมีตัวร่วมก็คือ ตัวสัมมาวยมายามะกับสัมมาสติครับคือหมายถึงว่าในแต่ละขั้นตอนของอปนาพัฒนาเจรโสดอภิโอดปนาวจีสังขาราอะไรต่างเนี่ยคือขนาดของความบริสุทธิ์ตามขั้นตอนนั้นอ่ะถ้ายังไม่สมบูรณ์จริงๆแล้วเนี่ยสองตัวนี้จะทํางานนี่เป็นความเข้าใจของผมครับก็ถูกมันก็ทํางานถ้ามันบริสุทธิ์แล้วมันก็ทํางานทํางานตรวจสอบ ตรวจสอบจนกระทั่งมันมั่นใจแล้วมันกระทั่งไปด้วยเองเลยมันก็อัตโนมัติไปครับมันยังไม่อัตโนมัติมันก็ต้องทํางานตรวจสอบหรือว่าพยายามปรุงแต่งตัดจัดการให้มันสะอาดให้มันเรียบร้อยให้มันลดกิเลสที่มันยังมีก็ให้มันไม่มีให้มันไม่มีเมื่อมันไม่มีได้ก็ทํามันอีกมันจะมีแลบมีเลียมันเกิดอีกใหม่ไม่มันยังก็ทํามันยังท่านถึงให้เช็คถึงสกาละทุกๆปัจจุบัน อ้าสัมผัสอีกทับปัดอีกเป็นเวทน า, น, ท น, านั่นแหละทั้งมโนปวิจารสามนั่นแหละอ้าวอีกอี ก, อ ก, อ ก, อ ก, อกมันก็กดับพศูย์ก็ศูก็ศูอดีตมันก็ชัดเจนผ่านปัจจุบันเท่าไหร่อดีตมันก็ศูนยููศูนย์จนกระทั่งมันมีความมั่นคงมันมีความชัดเจนมันมีความมั่นใจถึงขนาดอาเสวนาภาวนาพระหุรีกำมังไอทําคุน้นมันเคยมันเสพคุณไปเรื่อยจนกระทั่ง เกิดผลอย่างนัน้นมาเป็นผลแน่นอนเป็นผลศูนย์ศศูนยภาวนาจนกระทั่งคุณมั่นใจได้ว่าโอ้ยอดีมันก็ศูนย์อย่างที่อาจารมาอธิบายถึงส่วนอดีตส่วนอนาคตและก็ส่วนอดีตทั้งส่วนอดีตทั้งส่วนอนาคตในอวิชชาข้อหข้อหก 6, แล้วก็ข้อเจ็ส่วนอวิชชาข้อเ็ดแต่มันทั้งอดีตทั้งอนาคตมันเป็นอันเดียวกันเที่ยงด้วยส่วนข้อหกข้อหข้อหนะหมันส่วนอดีต หกอนาคตมันไม่เที่ยงแม้เป็นอาหารหันแล้วสอ ง, องตัวนั้นก็ไม่เที่ยงเป็นอาหารหันแล้วส่วนอดีตก็ไม่เที่ยงส่วนอนาคตก็ไม่เที่ยง OC? ไม่เที่ยงเพราะอะไรเพราะอาหารหันนั่นน่ะก็ยังมีกรรมมันมีการงานแล้วยังกุศลได้ถึงพร้อมอยู่แล้วมันจะไปเที่ยงยังไงก็ได้กุศลเพิมขึ้นเรื่อย ม, มันก็เป็นอน า, าคตมันก็เพราะว่าคุณสมบัติของจิตมันก็เป็นคุณสมบัติของจิตจเจริญอยู่เรื่อยๆมันก็ไม่เที่ยงมันไม่เท่าเก่า แต่กิเลสเท่าเก่าศูนยศูนยิ่งศูนยยิ่งศูนยใหญ่เลยมันไม่เปลี่ยนแปลงเลยศูนย์เที่ยงแท้มันคงยังยืนแน่นอนตลอดการเลยแต่ไอสองตัวเนี่ยอดีก็อนาคตสองตัวมีคนถามเขาอ่านเจออวิชชาแปนี่แล้วทําไมส่วนอดีตก็ทศหส่วนอนาคตก็ทศหกแล้วทาไมไอไอคนเจ็ดอดีอนาคตอีกพูดซ้ําทําไม ค, คิดไม่ออกเดาไม่ได้ตักอตกาว จ, จราเดาไม่ได้เนี่ยอตาตมาดายมันมีความต่างกันอย่างที่ว่านี่แหละเพื่อความแจ่มแจ้งฟรักฟังสังกระปากของอเนียนใจแล้วก็ฟรัวคอนี่เดียวเพราะนั้นโคเตอร์โคตาแล้วนะนี่เดียวค่ะไม่ใช่เวลามากเอ่ อ, อที่เนียนใจพูดเนี่ยยกมาแค่ตน ส่วนหนึ่งของการปฏิบัติเท่านั้นแล้วอาเทาก็พูดว่าจริงๆมันจะต้องมีสติกับวายามะพระลักก็เลยนึกไปถึงสัมมาเรียมักองแปดค่ะซึ่งจะต้องมีสั ม, มาธิฏิเป็นประธานเพราะท่านเคยบอกอแล้วมีสัมมาสติกับสัมมาวายามะเป็นเครื่องห้อมล้อมที่พระท่านบอกว่าเป็นหวังเฉาม่าหัน่นแล้วปฏิบัติสังกปปะวาจากรรมันตะอาชีวะสังสมเป็นสมาธิเพราะฉะนั้นในตัวสังกปะตัวนี้เนียนใจเข้าออกมาพูดเพลงตัวเดียวในองค์ อริยมรรคองแปดเท่านั้นแล้วอาเถาก็บอกพระนักว่าถูกทั้งสองคนนะฮะใช่ถูกคือ <c oughs> กระบวนการทั้งหมดของมันโปรเซสของมันทั้งหมดนี่คือกระบวนการทั้งหมดทั้งองค์เจตนี่แหละองค์เจตนี่แหละคืออ ง, องค์ประกอบหรือแม้แต่สังก ป, ปัะเจตก็คือทั้งหมดนั่นแหละเป็นกระบวนการของมันทั้งหมดเลยเป็นโปรเซสของการทําใจในใจทั้งหมดเลยมณสิกมณสิกโรเตเลอธรรมมณสิกการให้มัน โยนิโสให้มันท่องแท้ให้มันลงไปถึงที่เกิดที่ดับจัดการได้อ้าวทีนี้เหลืออีกอย่างเก่งก็30สบนาทาีหรือ2ี่กว่านาทีขึ้นไปตอนนี้ส9 4เก้าสี่สิบนาทีอ้าวใครสมณะสิก ข, ข, ข, ข, ขาบาตครับกรับคุณมศการพระกูสมณพุทธิรักษ์มศก า, านนครูบาอาจารย์พันเตครับ เจริญธรรมนะพวกเราวนนาอนอบนิสิต ท, ทุกคนนะวันนี้ก็ประทับใจนะธรรมาสมณะแสนดินนะประทับใจพวกเรานะที่ช่วยกันสรุปดีนะอย่างนี้ทำให้พระครูไม่เหนื่อยดีนะตรงพบปตมา <c oughs> คือรู้สึกว่าการเรียนการสอนแบบนี้มันเป็น Twoway c o m m u n i c a t i o นนะคือมีการโต้อตอบมีการซักถามมีข้อสงสัย จริงมีเหตุการณ์ในชีวิ ต, ตมาเห็นไลน์พวกเราที่ลงไปปฏิบัติงานฐานต่างๆนะวันนี้ก็ไปฐานแชมพูนะเนี่ยพราะท่านไอเลยนะไอโชเลยคือรู้สึกว่าคอนเสิรต UNSC n s c u n s c o n s เอาเอสไ c ไฟ s รงโนออ u n s c i o u s อันคออ๋อถูกละอ๋อพรพระครูแก้ไขในนั้นไปด้วยอ๋อแก็อันคอนเ u สก็คือความจิตเป็นจิตที่ไร้สำนึกอะนะถ้าเทียบเทียบเป็นเป็นภพก็อย่างที่พระครูสอนวันนี้ก็น่าจะเป็นอยู่ในอารูปประภ หรือว่าถ้าเป็นตันหาก็ไปเป็นภพาะวาตันหาที่ลึกๆกันนะนวันนี้ก็สในเป็ น, นตัวอนุใสตัวอนุัยตันหานี้เป็นตัวเคลื่อนออกมานะฮะ<น>ก็ไม่ไม่เรียกว่าตันหาได้ถ้าอันคอนชีสนะฮะ <c oughs> ก็สรุปนะว่าวันนี้พระครูเน้นที่เรื่องของ อ, อุปทานสี่แล้วก็เรื่องของอพบพบพบสามนะครับพบสาม ซึ่งอามามองพวกเรานะก็ประทับใจว่าพวกเราหลายคนก็เรียนมหาวิลลยมากันจบปิญญาตรีโทขกามาไม่ได้เรียนก็มีคงจะมีพบมหาวิทยาลัยอีกอย่างอ่ะนะที่ที่เราเคยเคยเรียนมานะแต่ว่ามาดูแบบวอนอบอของเราเนี่ยนะไม่รู้ว่าจะตรงพบหรือไม่ตรงพบดีนะจะมาติดตามพ่อครูดูการเป็นมาของวอนอบอนะ คือตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยยังไม่มีชื่อเลยพ่อครูเรียกว่าอะไรนะ <c oughs> มินิวอนอบอตอนประถมคุยกันแข้งแรกอะนะ <c oughs> มินิวอบอบอบบนะวอสบอ <c oughs> จนตอนนี้มาเป็นวอนอบอแล้วนะมันก็เห็นเป็นรูปเป็นเป็นร่างขึ้นซึ่งไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้สร้างขึ้นมาตั้งแต่แรกอันนะีมาติดตามดูเลยว่าพ่อครู <c oughs> ไม่มีแผนว่าจะต้องสร้างให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่ว่ามันก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา จนเรามานั่งเรียนอย่างเงี้ยนะเป็นโต๊ะญี่ปุ่นก่อนจะจําภาพนี้ไว้นะโต๊ะญี่ปุ่นโต๊ะญี่ปุ่นอ่าตอบต่อไปจะมีคนเทวดาผู้ใจดีเอาโต๊ะให้มาเรียนสูงขึ้นนะนะอันนี้ก็เหมือนกับเราตั้งพบไว้หรือเปล่านะสิ้นเดือนอสิ้นเดือนอส้นเดือนนี้น ะ, นนะแต่ว่าภายในสองวันนี้พบอาจจะแตกอีกเพราะว่าเขือนมันแตกก่อนเขือนราศีสไลมันแตกก่อน เราะฉะนั้นอนาจจะให้เราจะต้องปรับรูปแบบการเรียนซึ่งอาจมาคิดว่ามหาวิทยาลัยไหนๆเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะจัดรูปแบบการเรียนการสอนของแบบพวกเราได้คือพวกเราเนี่ยจะมีอาจมาถามคนว่าเขื่อนแตกวันนี้ก็คุยกับบางคนก็บอกว่าเขื่อนแตกทําไงบอกโอ้จัดฉลองน้ําดีไหมว่างั้นนะมาไปงั้นซะอี ก, กนะ คือพวกเราเนี่ยจะเห็นสิ่งที่เป็นปัญหาเนี่ยคือคนทั่วไปจะไม่อยากเจอปัญหาไม่อยากเจอทุกข์ไม่อยากเจอกับกิเลสแต่พวกเราเนี่ยจะมีม่เขาเรียกว่ามีวิภวะตัณหานะคืออยากจะกําจัดกิเลสอยากจะเจอกับปัญหานะซึ่งก็ เ, ออเป็นเรื่องที่น่าประทับใจอ่าพ่อครูเน้นถึงเนระือุปท า, านเนี่ยธรรมาพอดีวันนี้คุยกับคนรู้สึกว่าได้ยินอ่าเด็กเด็กที่สันตียโศกบางคน น, นะครูเขามาเล่าว่า ถ้านะถ้าพรุ่งนี้เนี่ยเขาจะต้องไปไปกับครูที่เขาไม่ชอบเนี่ยเขาจะมีอาการไม่ชอบแล้วอีกวันหนึ่งเขาจะมาสั่งตัวเองให้ไข้ได้เลย <c oughs> โอ้เก่งคือพลังจิตเนี่ยที่เป็นตัวประทานลึกๆเนี่ยบางทีเราไม่รู้มาไม่รู้โรคนี้เขาเรียกไซโครซิส <c oughs> โรคตัมมะโรคไ <c oughs> ซคโซครซิส <c oughs> คื อ, อ <c oughs> ผมก็มองว่าพระครูสอนเรื่องอัตวาทุปาทานหรือเรื่องของศิลแประตูปาทานเนี่ย สิริปตับปรามาธเนี่ยเราก็มองว่าเออเรายังมีส่วนเศษของสิ่งเหล่านั้นอยู่ที่เรายังทำไม่หมดอย่างเด็กคนนี้ที่เขาสั่งตัวเองให้เป็นไข้ได้เนี่ยเราเองบางทีมันเจ็บป่วยมันมันเป็นอย่างนั้นอย่างเนี้ยเพราะว่าบางทีเรามีบางอย่างที่มันต้านมันอะไรอยู่ลึกๆหรือเปล่านะเราเลยเป็นอย่างนั้นก็วันนี้ก็รู้สึกว่าได้ได้เรื่องนี้นะครับว่าจะพยายามสังเกตตัวเองว่าเรายังมีอุปทานยังมี ออกมาขึ้นมาเป็นตันหาให้เราจับเมื่อไหร่เนี่ยเราก็พยายามที่จะทำลายกำจัดมันให้ได้นะจะได้อ่าเข้าคลาสวรนบอร์นะได้เป็นผล <c oughs> สำเร็จนะแม้แม้แม้จะได้นิดได้น้อยนะเราก็ไม่ไม่ท้อแท้ที่จะพากเพียรทําต่อไปครับก็สรุปประมาณนี้อ้าวใค ร, อ, รอีกสมณะสิกมาตเร็ว ข่าวล่ามาบอกว่าไม่ได้แตกหลอกเขื่อนนะ่ะถ้าแตกซีสเกตจะโดนก่อนเนี่ยตอนนี้ถนนยังแห้งว่างั้นเอาอกาศค่ะเอาเถอะเดี๋ยวนี้เน่ยข่าวมันจะ่าไปฟังมากนะฟังฟังไปบ้างเธอสอบเอาเลยออาบอกยี่ห้อก่อนแล้วก็ค่อยพูดบางทีจําเสียงไม่ได้ว่าคนพูดในยี่ห้ออะไรอ่าติดค่ะมีใครพูดที่บ้านมาสิขออกาสค่ะ เอาทำไมไม่ไดังเอาอย่างดีให้หน่อยไมโครโฟนเรานี่มีอย่างดีอย่างไม่ดี <c ười> ใครบุญดีหน่อยก็เจอของดีขอโอกาสค่ะเพราวันนี้พรอครูสอนพุทธชีวศิลป์นะคะยีิบส า, ามกรกฎาก็จะเป็นหัวข้อหลายๆอย่างเลยก็จะสรุปแค่หัวข้อนะคะอันแรกนี่ก็สัยสพยอาศพรอครูเน้นเลยว่าเนี่ยการฏิบัติธรรมเนี่ยจะจ ะ, จะมีส่วนประกอบ อันหนึ่งก็คือสัพยาศก็ต้องมีบุคคลมีอาหารมีสถานที่มีธรรมะสัพยะต่อไปก็เป็นเรื่องสมุ ป, ปบาทเพราะครู บ, บอกว่าใครยังจำอันนี้ไม่ได้นี่ก็ไม่ไหวแล้วก็ตัวเองก็ยังจำไม่ได้แต่ถ้าถ้าพูดถึงสภาวะหรือถ้าพูดไล่ไปนะคะเป็น อ, อวิชชาสังขารวิ ญ, ญาณมันก็ฟังมาหลายทีก็พอจะเข้าใจว่าเพราะว่ามันเกิด เกิดเป็นเหตุเป็นผลการ เ, เกิดจากสภาวะนี้ก็จะพอจะจําได้นะคะวิญญาณ น, นามรูปอายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปทานแล้วต่อไปก็จะเป็นภพชาติชรลาบรมนะอะไรนั่นก็อันนี้ก็เป็นเรื่องปฏิจจสมุปบาทแล้วโลกุตละสี่สิบหกเขาครูจะสอนกายในกายนะคะแตกายในกายนี้มันก็จะเป็นเรื่องของสมบูทานสี่ทิบาทสี่ สติปัฏฐานสี่อินทรียหพละหลก็ต้องล้างตัวเหตุเหตุดับพบกระดับตันหาดับถ้ามันตันหามีมีตัวตัวที่เคลื่อนแต่ถ้าไม่เคลื่อนมันก็กลายเป็นเป็นอุปทานนะก็กลายเป็นพลังงานสักถ้ามันเคลื่อนมันดับมันดับได้เห็นก็ทำให้เป็นก็ทาให้เกิดความเป็นอริยะได้ก็คือขั้นต้นก็คือโสดาบัน นี้ก็ครูพูดถึงเรื่องอุปกรณ์ส16ทั้งสิบตัวเลยวันนี้ต่อไปก็พูดถึงเรื่องอุปทานสี่ค่ะทั้งกามมรมุปาทานที่ถูปท า, านก็เรื่องยึดยึดสมาทานกับตัวยึดอุปท า, านการยึดมีสองอย่างนะี่ส่วนการยึดยึดอย่างมัก ก็คือมาปฏิบัติมาปฏิบัติแล้วขัดเกลาตนเองปฏิบัติได้แล้วเป็นสมาทานของสมณะสมณะแปลว่าผู้สงบก็ยึดอย่างอาศัยส่วนการเรื่องส่วนเรื่องสมาทานอย่างเป็นผลก็คือปฏิบัติลดกิเลสหมดแล้วแต่ก็ยึดต่อเนื่องเพื่ออาศัยเพื่ออนุโลมปฏิโลมในโลกแต่ไม่มีเป็นเราเป็นของเรา<ม>อัตานี่ เรื่องสังโยชนอกไม่มีเหลือแต่ข้างในได้เป็นเรื่องของจิตเป็นเรื่องของเรื่องเป็นเรื่องของโอปาปติกะถ้าเรื่องอันนี้หมดหมดเรื่องกา ม, มูปท า, านก็เหลือแต่ภวาละวะราคาลุใสเหลือแต่ขั้นรูปราคะอรูปราคะต่อไปก็เป็นหัวข้อเรื่องศิลศีลลจน์ศีลพจศ สีโพสนี้ก็เป็นยิดถังเป็นวิธีในการปฏิบัติหุตังก็เป็นผลที่จิตได้รับจากการปฏิบัติบูชาทาให้เกิดผลศิลปตุปาทานนะคะศิลปตตปรามานี่จะเป็นเรื่องของที่ว่าอ่านตัวกิเลสที่จะกำจัดมันเป็นผีเป็นเปรตเป็นนรกเป็นหน้าตาของมันแต่วิธีปฏิบัติมักวิธีปฏิบัติให้เกิดผลนั้นไม่ถูกต้อง จะได้แต่ลูกๆคำๆถ้ากิเลสหลุดพ้นได้ก็พ้นศิลพัต์ตะปลามาดเพราะว่าส่วนเรื่องอัตตนิรตานี่พวกที่ยึดแต่อัตวาธุปาทานจะรู้ว่าแต่ว่าไม่มีอัตตาไม่มีอัตตาเพราะว่าตัวเองนะไม่รู้เรื่องเรื่องอัตตาไม่รู้เรื่องแต่ว่าเขามีปรามาตะมันเป็นเทวนิยมชัดเจนเลยยึดได้แต่ว่ามีมมมเป็นตัวเป็นตนเป็นเทวะ แล้วก็ยึดแต่ว่าตัวเองเนี่ยผู้ใดมีแล้วก็ยึดแต่ว่าผู้ใดมีอัตตาแบบนี้ละตามก็เป็นมิจฉาทิฐิส่วนชาวพุทธชาวพุทธก็มีมีอัตตามีอัตวาทุปทานเหมือนกันก็ได้แต่พูดเรื่องอัตตาเรื่องอัตตาแต่ว่าความปฏิบัติจริงนะไม่พ้นไม่พ้นอัตตาสามคือโอราลิกาอัตตาอรูปอัตตามโนมยอัตตาปฏิบัติไม่พ้นอันนี้ ถ้าปฏิบัติพ้นเรื่องเรื่องอัตตาเรื่องตัวตนนี้ได้ก็จะเข้าจะเข้าใจถึงขั้นอนาคามีค่ะแล้วเมื่อกี้นี้พ่อครูบอกถึงเรื่องตีมูลติค่ะแค่พูดแต่เรื่องแค่ว่าเมตตากรุณามุญทิตาอุเบกขาแต่ไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วนะเป็นยังไงไม่เข้าใจว่า ปัญญาที่คุณกรุาณาณ์ที่คุณบริสุทธิ์ที่คุณเนี่ยเป็นยังไงของของปฏิบัติอันข้างนอกนะคะก็สรุปหัวข้อเพียงเท่านี้ค่ะธรรมสถานอา้าวใครสมณนะสมามีไหมสิกรรมาตวนท่านก่อนคะ่ะถ้าเวลาเหลือก็จะสรุปค่ะอ้าวมีไว้สมณะกลับขอโอกาสพระคุณครับ เอาเลยเชิญฟังสิขมาตรตรงธรรมนะที่โสรุปเพื่อรู้สึกว่าท่านจดได้ละเอียดหัวข้อธรรมจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่เราเรียนเราฟังพรอครูมาตั้งแต่วันแรกๆ ก, นะ <c oughs> ก็จะมีหัวข้อธรรมเยอะมากมาว่ากว่าเจ้อาภาษาเนี่ยต้องใส่เป็นตำราเล่มใหญ่เลย <c oughs> อ่า แล้วก็การอธิบายเนี่ยก็จะไม่เหมือนกับตำราทั่วไปด้วยเดยเพราะถ้าสังเกตเนี่ยพระครูใจย้ำเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบกับที่เขาอธิบายนะแล้วก็เปรียบเทียบกับสมัยยุคพุทธเจ้าด้วยว่าสมัยนั้นเนี่ยพุทธเจ้าเนี่ยต้องแบบต่อสู้กับพวกฤาษีและที่แรงต่างเนี่ยนะการปฏิบัติของฤาษีก็จะกดข่ม แต่ว่าของพุทธเนี่ยจะใช้ปัญญานะครั้งนี้ก็เหมือนกันยุคปัจจุบันเนี่ยคนที่นับถือศาสนาพุทธนะหรือว่าํำนักต่างๆทั่วไปเนี่ยชื่อว่าพุทธแต่ ว, ว่าปฏิบัติเนี่ยแบบลุ่ยนสะีก็จะกลับกันถ้าสังเกตก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็หัวข้อธรรมต่างๆเนี่ยถ้าสังเกตสามตีข้อเนี่ยอมา อย่างเมื่อกี้เนียพูดถึงอุปทานเนี่ยอาสี่มีการอุปธาทานะอก็ลอัตวาตพาุทธุปาทานอะไรนี่นะถ้าสังเกตเนี่จะเห็นว่าอ่าหัวข้อทำข้อแรกๆเนี่ยก็จะหยาบก่อนนะแล้วก็ข้อหลังๆก็จะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้ น, นลึกเข้าไปหรือกไปในจิตอเงี้ยเพราะนั้นเวลาเราปฏิบัติเนี่ยมันมันต้องปฏิบัติตั้งแต่หยาบนะถ้าธรรมนักทั่วไปเนี่ยอะไรก็ มุ่งไปอุเบกขาเลยหรือว่าพานั่งหลับตาสมาธิแต่ไม่มีภาษาไม่มีอะไรเนี่ยมันก็จะจะไม่เห็นเห็นกิเลสแล้วก็อย่างที่พระครูอธิบายเนี่ยนี่ลตาเนี่ยบาทีก็ไปเขาก็ไปคิดว่าถ้าเราไปคิดว่ามีอัตตามันก็มีอัตตาแต่ถ้าคิดว่าไม่มีอัตตาก็ก็ไม่มีอย่างเงี้ยใช้ภาษาเป็นอัตวาตุปาทาน ภาษากบเกื่อนว่าเออมันไม่มีไม่มีก็จบไปแต่ของเรานี่จะปฏิบัติจริงๆนั่นจะเจอภาษาจริงของจริงมากมายอธิมาสมากี้นิ้นึกจะถามพ่อครูเหมือนกันนะว่าเออเราอย่างเราตั้งใจปฏิบัติเราคิดว่าเราตั้งใจปฏิบัตินะแต่ปฏิบัติทีไรเจอภาษาทีไรก็แบบ สิริพัฒน์ต่ปรามาทุกทีแล้วปล่อยกิเลสไปเรื่อยเจออาหารที่เราชอบของอร่อยของน่ากินอะไรล้วก็ก็อ่ะเดี๋ยอนุโลมให้อ่าเดี๋ยวมันมัน ม, มีเหตุผลเยอะแยะเดี๋ยวขาดสารอาหารเดี๋ยวไม่พอเดี๋ยวอะไรมันที่กินมื้อเดียวด้วยอย่างเงี้ยนะโอ้โหมันนี่เยอะแยะมากมายเลยเราก็แพ้มันพอพรุ่งนี้มาอีกล้ว เห็นแต่ไกลแล้วก็นึกว่าเออวันนี้ไม่กินไม่กินแต่เวลามาเจออีกน้อยนึงเอาเครึ่งเดียวก็ได้อย่างเงี้ยนะก็เอาไงสองครั้งสามครั้งสี่ครัง้งห้าครัง้งแบบนี้เนี่ยเราแพ้แพ้บ่อยๆเนี่ยก็สะสมความแพ้ใช่ไหมครับคือบางทีเราคิดว่าคิดแบบโลกโลกอ่ะนะถ้าเราแบบไม่ไม่ลงทุนไม่ทำอะไรเนี่ยมันก็เสมอตัวใช่ไหม แต่ในการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราตั้งใจปฏิบัติแล้วเนี่ยปฏิบัติสู้ไม่ได้แพ้มันแพ้มันทุกครั้งเนี่ยอย่างนี้นี่ติดลบหรือเปล่าครับก็เป็นแพ้ก็ติดลบปททีอย่างนี้สู้ไม่ตังด <c oughs> ีกว่า <c oughs> แพ้ไม่ได้เอาทำไมเราก็มัน ก, ก็ต้องสู้สิมันแพ้ก็ต้องแพ้ก็ต้องสู้สิแพ้ ก, แพก็แพ้ชะตาสามลงใจส่งความมั่นคงอ่อแพ้เราหนีไปเลยก็มันก็คนนักรบที่ โอ้ยยังไม่ทันเลยปะเบย์ดาปะฮองเลยเห็นฝุ่นตลบมาวิ่งหนีก่อนแล้วอใช่ได้คือมันมันคิดเอานะคิดเอาด้วยด้วยตรกะเลี่ยว่าเฮคนนี้เขาไม่ตั้งเนี่ยเขาก็สบายเหมือนกันนะเออเขาก็ไม่ทุกข์อะไรนะเออภาษามาก็สบายสบาลลยอเราเนี่ยคิดแล้วคิดอีกหลายทีอย่างเงี้ยเฮ้ยยังไงดูจะทุกข์มากกว่า แล้วแถมแพ้อีกด้วยนะโอ้โหนี่มันจะขาดทุนเนี่ยแต่วันนี้ฟังพ่อครูก็ไขว่าฟังแล้วสรุปว่าน่าจะดีกว่าใช่ไหมครับเราตั้งใจ <c oughs> ตั้งตะบะแม้แม้จะแพ้เนี่ยก็ยังดีกว่า ไ, ได้ประสบการณ์เออมันแพ้เพราะอะไรยังไงแล้วก็ถ้าสู้ไปเนี่ยจากประสบการณ์บางทีไม่ใช่แต่ หครั้งติดครั้งนะัเป็นร้อยๆครั้งแพ้ๆแต่ว่าชนะทีครั้งหนึ่งนี่ก็โอ้โหมันได้ความภูมิใจแล้วก็ดีได้ประสบการณ์อีกนะได้ชนะเพราะอะไรยังไงแล้วก็จากประสบการณ์นี้ได้คิดดีว่าเออแม้เราตั้งจิตอธิษฐานเนี่ยมันก็มีมีกําลังเหมือนกันอ่าถ้าเราไม่ตั้งเนี่ยมันก็จะจะปล่อยอ่าคือมันก็เรียกไม่หัวก็กล้อยอะ่ะนะแล้วก็ จะลาไปมากขึ้นมากขึ้นจากที่เราคิดว่าเอ้ยเราตั้งตะบะไม่กินขนมเงี้ยนะเผลอแพ้แพ้ไปเผลอไปกินขนมหน่อยห น, นึ่งเงี้ยนะแต่ถ้าไม่ตั้งเลยเนี่ยไม่ใช่แต่ขนมนะมันทั้งอะไรอะ่ะกับข้าวทั้งอะไรทุกอย่างแล้วกินเหลือกินอะไรเยอะแย ะ, ย ะ, ยะมากมายเลยนั่นภาษาวัยรุ่นเขาบอกว่าอะไรนะล้มไปข้างหน้าดีกว่าเตะท่าอยู่กับที่ เอก็ทาตั้งไว้ดีกว่าแพ้บางชนะบ้างแต่ว่าลมใไปข้างหน้าดีกว่าเตะท่าอยู่กที่ใช่ครับมันก็ก็จะได้ประสบการณ์ไม่ว่าแพ้หรือชนะครับอันนี้ก็เราสรุปประมาณนี้ยพันเด้พระไทยมีอะไรเสริมไครับครับสามารถสร้างฝันติดมากสร้างฝันอะไรกาสร้างฝันเพิ่งอิงลมาไปจะประชุมรู้เรื่องสร้างฝันใหม่อ๋อสร้างฝันสร้างฝันใหม่เอา ได้อีกหกนาทีค่ะราชขอาอกาศข้าพ่อท่านท่านสมณะพันเจสิกมาทุกท่านค่ะจันเรนทามค่ะนิสิต ท, ทุกทุกคนค่ะค่ะ <c oughs> ก็พันเตบอกว่าให้อุตสหัดสรุปบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะเก่งไม่เก่งก็ต้องสรุปถ้าถ้ารอให้แต่พันเตสรุปเดียวพันเตไม่มานะวันหลังบอก ท่านแต่ท่านก็เคยแนะนําไว้นะคะว่าถึงแม้วันไหนไม่ได้สรุปก็ต้องสรุปไว้ในใจทุกๆวันสรุปไว้ในสมุดทุกๆวันนะคะเพื่อฝึกกันนะคะสิงรรมะก็มองเห็นนิสิตเหมือนกันนะคะว่าเอ็นิสิตนี่ก็สรุปแต่คนเก่าๆเหมือนกันนะเออก็น่าจะฝึกบ้างนะคนใหม่ๆนะค่ะก็เรียนแบบสิกรรมะด้วยนะค่ะก็จะสรุปเท่าที่เข้าใจก็แล้วกันนะคะอาจจะผิดจะพลาดอะไรก็ ต้องขออาภัยไว้ก่อนก็แล้วกันนะคะวันนี้พ่อพ่อครูได้ได้อธิบายถึงปฏิจจสมุปบาท น, น, นะคะตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็มาลงรายละเอียดใน3ามหัวข้อก็คือชาติภพอุปทานค่ะดิฉันก็จะมาพูดถึงชาถึงภพก็แล้วกันนะคะถึงระดับภพภบพก็จะมีอยู่3ามหัวข้อก็คือการมาภพรูปภพและอนุรูปภพ ในการมาพอันนี้นะก็ถ้าถ้าจัดระดับแล้วถ้าถ้าเอ า, เอาตามสังโยชนสิบมาวัดเนี่ยก็น่าจะเป็นระดับการการาคะปฏิฆานะคะซึ่งซึ่ ง, งต่อเ น, นื่องมาจากาพ้นลสังโยชน์สามขึ้นมาแล้วนะคะก็เป็นระดับสกิทาคามีแล้วที่ที่พ่อท่านอธิบายวันนี้นะคะที่พ่อพ่อครูบอกว่า ถ้ายังมีกามกามในที่นี้หมายถึงกามมคุณนะคะยังมีกามรุนแรงอยู่อย่างนี้ความโกรธรุนแรงอยู่ยังมีโมหะรุนแรงอยู่มันก็คือยังมีอบายอยู่นะคะก็ถ้าจะมาเทียบของตัวเองนะคะตัวเองก็ว่าถ้าในกามคุณเนี่ยในด้านอาหารถ้าเรายังชอบของอร่อยอยู่ถ้าเรายังไม่ลดไม่ละเลยเรายังเสพอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็คือยังเป็นเป็นอบายอยู่นะ ยังกินอาหารยังชอบของอร่อยเวลาเห็นอาหารเราต้องกินน้ําลายเราทนไม่ได้นะคะที่จะไอ้นี่นะมันยังหยาบอยู่อย่างเงี้ยนะคะมันก็ยังแบบอะไรอะ่ะจิตมันก็ยังยังหลงพบยังหลงเสพเยอะอยู่ก็ยังถือว่าหยาบอยู่ยังมีความเป็นอบายอยู่ในในกามนะคะในเรื่องรสก็แล้วกันนะคะในเรื่องรูปนะคะก็ก็เรายังชอบดอกไม้อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเราจะให้เบาบางลงไปแล้วก็ เออก็ให้ลดลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็คือถ้าสมมุติว่ามันเบาบางลงไปมันก็จะเป็นคือเราไม่จําเป็นต้องเสพพวกนี้แล้วก็จะเบาลงมันก็จะเป็นแค่ในใจในใจอาจจะมีแต่ว่าเราอาจจะไม่ต้องอาศัยแล้วนะคะในเรื่องรถเราก็ลดลงในเรื่องรูปเราก็ลดลงแม้แต่เรื่องความโกรธอย่างเงี้ยนะคะที่ผ่านมาก็เทียบกับตัวเองเหมือนกันบางทีมันก็ออกมาแบบออกเป็นวัจจิรามออกมาก็มีอเงี้ยนะคะคือพอมีอารมณ์แล้วมันก็ ระ ง, งับไม่ได้ทางข้างในอย่างนี้มันก็จะแสดงออกมาทางพฤติกรรมอย่างนี้นะคะอาจจะไม่ใช่ใช้ภาษาที่หยากแต่ว่ามันเป็นภาษาของอารมณ์เป็นภาษาของการระบายอารมณ์อย่างนี้นะคะก็คิดว่าอันนี้มันก็ยังเป็นอบายยมุก ข, ของของตัวเองนะคะคืออันนี้มันต้องรู้เท่าทันจิตใจแล้วก็พยายามลดละมันข้างในให้ได้มันก็จะก้าวเข้าไปสู่รูปราคะอรูปราคะนะคะเมื่อที่มี อะไรการมราคะปฏิฆาเบาบางลงมันก็จะเข้าสู่รูปราคารูปรารรคานะที่ว่าที่พ่อครูบอกว่าการมรรคาเนี่ยก็ต้องสํารวจตัวเองว่าถ้ามันอ่อนแล้วมันก็คือไม่สามารถที่จะออกมาข้างนอกได้อย่างนี้ค่ะไม่ไ ม, ไม่ไม่เสพข้างนอกนะคะไม่สามารถที่จะมีกําลังแต่ถ้ามันยังมีกําลังอยู่ก็คือมันแรงอยู่ของเรายังยอยากอยู่อย่างนี้ก็พยายามลดละให้ตัวเองให้ได้ที่ว่าไม่ให้มันเกิด ให้มันจนเหลืออารูปให้ได้นะคะค่ะก็ได้ประมาณนี้แหละค่ะนวัสกรรค่ ะ, <c oughs> ะหมดเวลาแล้วนะเรือนนาทีเดียวย ส, สมณะมีใครไหมมีไหมมีแล้วครับไม่มีแล้วนะเอาไม่มีแล้วามาสรุปนะ อาวันนี้ก็ได้ศึกษากันไปพอสมควรอีกนะอาตมาไม่รู้นะไม่มีจะอเทศนาปาติหาริสจะอย่างรู้ใจใครๆว่าเออหนั่งเรียนนี้มันทูซ่ซีไปทนทนไปทรมานไปหรือว่าเออเรียนไปแล้วก็เออเขาท่าเนาะ มีจิตใจพอใจมีจิตใจรื่นเ ร, ริงในธรรมบอสมควรเอเอได้ประโยชน์เนี่ยมันมันมันมันดีกับชีวิตอะไรเนี่ยมากมังน้อยมั่งก็แล้วแต่มันเป็นเชิงนั้นแทนที่จะบอกว่าโอ้แม่นี่เราไม่น่ามาสมัครเตียนเลยเสุขทรมานตรกรรมมันนั่งไปกว่าจะสองชั่วโมงเนี่ยโถเอ้ยพูกกันอยู่ไปอ่า อาตมาไม่มีอาเทศนาปาติหาริที่อย่างรู้จิตของพวกเราอย่างนี้หรอกไม่รู้จะเกิดยังไงอาตมาไม่รู้นะแต่ดูตักสีหน้าสีตาแล้วเออก็ดูหน้าบางทีก็จะหลอกอาตมาหรือเปล่าไม่ยู่งนะเสแส้งโอ้ดูดำยิ้มแย้มเปิดเผยดูคัดปีกกระป๋ออะไรเนี่ยอาตมาดูแค่นั้นก็ดูเออเปิดเปิดบ้านเปิดเผยยิ้มแย้มดู ก็ดีก็ได้อยู่พอสมควรอัตมาเอาแค่นี้ก็คิดว่าใช้ได้แล้วละ่ะใครจะเสือแซงตีหน้าดราม่ามาให้อัตมาดูก็ช่างเหอะไม่เป็นไรนะเดอะเกรดพร e เท e เดก็ <c oughs> ไม่ว่ากัน <c oughs> แต่ได้รับขนาดนี้ก็มีผลตอบแทนแต่ผมตอบรับว่าเออก็ใช้ได้อัตมาก็ยังมีกำลังใจว่าไม่เสียหลายแน่นอนนะที่พยายาม รู้สึกไม่ว่าอาตมาในขมีขมันเูยนะรู้สึกไหม ม, ม, ม, นะไห ม, มันสดชื่นขมีขมันนะอาตมาไม่ได้ทอดทอยไม่ได้ทอแท้ไม่ได้เหนื่อยหนายไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะมันรู้สึกว่าดีน่ะทั้งทั้ง่บางทีเนี่ยโอ้โหก็ทุกทีเพราะว่าอาตมาเล่นเขียนหนังสื อ, พอเพราะว่าค่ามีเวลาว่างเท่าไหร่หรอกพอปิดเครื่องทั้งนู้นกัมาทั้งนี้เลยปิดเครื่องทั้งนู้นกัมาทั้งนี้ทุกทีอ่ะนะ อ๋อาล้วคิดว่าที่อาตมาพูดไปแล้วว่าเอาหน้าลองหนึ่งปีดูนี่อาตมาว่ามันจะพอรู้ผลนะว่ามันมันได้อะไรจริงๆนะนะคุณไปทนทรมานหาเงินหนึ่งปีสองปีอะไรคุณยังไปทนมาอ่าได้เงินมาก็ไอ้ทัว น, นั้นทําให้กิเลสระฟูได้ซ้ําไปแต่อันนี้มันถึงได้ยังไงมันก็ดีกว่านะอ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เดือรมานมานมาเรียนสาธุ Ha, ha, ha, ha.